เพินผรานท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่าน <c oughs> วันนี้เราก็มาพบ ก, กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามในแนวทางปฏิบัติของทานศีลภาวนาท่านผู้ใดมีความสนใจอยากจะเข้ามาฟังธรรมก็ เพือมาถามตอบคําถามก็เชิญเข้ามาในห้องสุ่มได้ตอนนี้เราจะเริ่มกับเด็กชายนะักคุณก่อนจากญี่ปุ่นตัวเล็กอะะ่ากคุณ ม, มา ม, มามนคุณได้ยินเสียงไหอ่ากคุณนคุณกระพระอาจารย์ก่อนหนึ่งเสียงหน่นโน่นโน่นโน่นโน่นจะังขยั นึกเสด็จทำฟันแล้วจ้ะครับทำไมไม่ได้ยินเนี่า ไ, ไม่เงียบจ้ะอาจารย์ได้ยินได้ค่ะได้ยินได้ยินอ๋อค่ะกราบพระอาจารย์ค่ะอืมแล้วคุณกราบพระอาจารย์อืมโอเควันนี้ไม่มีคำถามค่ะมากราบพระอาจารย์เฉยๆค่ะโอเค อนองคุณ <ไป S 2> ก, กลับแค่ะอนไปแล้วนะลูกอโอเคครับกลาบเร็วน้องคุณกลับไปยังกลบับมาแล้วค่ะวันนี้หนูกลับดึกหน่อยน้องคอยนะมันวันนี้เป็นอ๋อค่อคอะว่าอาทิตย์นี้เขาไม่สนเลยค่ะพรออาจารย์เขานม่สนเขา ขอบพระคุณค่ะพรอาจอารย์ไปที่จามัทกัจจติกลับนมัสการพระอาจารย์ครับตามในรูว่ามาจะส่งกันบ้านนะใช่ครับเาว่ามา เร า, เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพนความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมทนความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆ <c oughs> คือว่าเราจะต้องพัฒพาจากสองรักสองเจริญใจทั้งหลายทัง้งปวง เรามีกรรมเป็นของของของมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรมมกรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเนลกจักรวาลจักรวาลจราลจรวาจักราลราลจักราลจักรวาลจเกรวาลจักรวาลจรวาลจักราจรวาลจักรวาลจักรวาลักรวาจราลจัราจักรวาลจกรวาลักวากราลั้รวาจลจักราลจักวาลราลจักรวจัราลจักาลนี้ทุากวาักทุกวันเวา ร่างกายของเรามีอะไรบ้างมีผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกปอดหัวใจตับของผื่นไตปอดไส้ใหญ่ไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อสมองศีรษะน้ำนี่น้ำทะเลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงี่ยน้ำมันข้นน้ำตาลน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูดน้ำใส่ข้อน้ำมูด น้ำมูดน้ำไข่ก้นน้ำมูกน้ำลายน้ำมะเหลวน้ำตาน้ำข้นน้ำเหนียวน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเฉลดน้ำดีเยื่ในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่เส้น้อยใช่ใหญ่ปอดไตของผดกับหัวใจม้าเยื่ในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเลกบขอ่าตอนนี้มีข่าวดีมี ญาติโยมพิมพ์หนังสือกายะคตาสติมาแจากครับของเคยได้ยินหนังสือเล่มนี้เลยไหมที่มีภาพประสุภาพต่ตางๆ<ะ>ใครอยากจะได้ก็ติดต่อคุณลาได้ใช่ไหมคุณลาอ่คุณลาเป็นเจ้าภาพเมงาหนไม่ทาราบแล้วมีญาติโยมร่วมกันก็อยา ก, กอยากจะได้หนังสือมันเป็นเล่มเก็บเอาไว้เพื่อจะได้เห็นภาพปรสุภาพต่างๆ คนต้องใจกล้านะถ้าใจยังไม่แข็งพอก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปขอไปดูเดี๋ยวจะเป็นลมเลยก่อนอันน um um ี้ต้องมีคำเตือนไว้หน่อยนะว่าเหมาะสำหรับผู้ที่มีสติสตางค่อนข้างที่จะมั่นคง่ถ้าใจยังวูบหวาอยู่ยังวุบว่าอยู่ก็อย่าเพิ่งเอาไปดู เดี๋ยวมีเผลเสียขึ้นมาอย่าโทษคนแจกให้นะ้องเตือนไว้ก่อนนะอโอเคมีอะไรไหมไม่มีนะคะโอเคเหินไปที่สันโดษแับว่บคุณพระอาจารย์ครับสันโดษกับคุณยายนวัสการ์ครับพระอาจารย์วันนี้พาคุณยายมากาบพระอาจารย์ครับผม อว่ามามีอะไรบ้างับเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์พูดถึงหนังสือเรื่องกายคตาสติก็พอดีว่าไปผมอ่านเริ่มอ่านแรับพระอาจารย์แต่ว่าก่อนหน้านี้ดูภาพมาหมดแล้วแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นคนเดียวในบ้านที่ดูภาพครบหมดแล้วคนอื่นยังไม่มีใครได้ดูหนังสือครับผมไม่มีใครแตกเลยใช่ไหมไม่มีใครแต่มีผมแตกอยู่คนเดียวแล้วผมก็ถาม คุณยายถามคุณแม่ถามคุณพ่อบอกดูด้วยกันไหมแม่ก็บอกไม่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> แล้วผมเป็นนิสัยประหลาดแต่ว่าอาจารย์คือผมชอบมันนั่งเนี่ยเปิดดูก่อนนอนอย่างเงี้ยแล้วก่อนจะนอนพอเรานอนไปแล้วก็แบบนอนพิจารณาไปอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วเขาคุณพ่อคุณแม่ก็บอกดูจริงๆหรอไม่กลัวฝันร้ายหรเราจะมีฝันร้ายก็มันอยู่ในตัวเรามันตั้งแต่เกิด ใช่ไหมของมูลนี้มันอยู่ที่ไหนอ่ะมันอยู่รับในไก่เนื้อแล้วนะฮะาไม่ราไม่รู้อืมไม่อาจางก็มีผมอยู่คนเดียวที่แตะหนังสือเล่มนั้นอดีก็พอดีพระอาจารย์พูดขึ้นมาก็เลยนึกขึ้นได้อ่าอยะคุณยายเะอกี้บอกสนใจจะดูไหมเดี๋ยวไปหยิบให้คุณยายบอกไม่เป็นไรจ้ะ คราบอาจารย์วันนี้มากับอาจารย์ไม่มีคำถามครับคุณยายสบายดีนะก็ยังระลึกถึงอยู่ค่ะภาวนาพุทโธนะคุณยายยายทุกวันเลยค่ะทำใจให้นิ่งสงบแล้วร่างกายเป็นอะไรเราจะไม่เดือดร้อนนะดีมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปขอไปที่คุณตะวันก่อนได้กี่คนหนึ่งตะวันจูเนีย อยู่ฮอลลนดอ่าว่าในตะวันมีอะไรไหมเออนนี้แค uh, ่มีห uh, นึ่งกองทัพครับอ่ามามาเออมีวิธีที่ชื่อโรเบิรบแล้วเขาก็เออเอ่อเสียไหมเอยเงินป้นเงินของคนรวยมาให้คนจน<ด>ใช่ไหมใ่เออมาเป็นบาปหรืบุญมากกว่าครับเป็นทั้งท้องอยา่างบาปกับบุญเท่ากัน ไม่ได้อะไรถ้าถ้าเอาเงินที่ที่ปล้นเข้ามาไปแจกบวดก็มันก็เท่ากับเท่ากันทําบาปน้อยบาแล้วก็ทําบุญน้อยบาสมันก็ลบล้างกันไปเหมือนกับไปข้โมยเงินเขาแล้วเอาเงินไปคืนเขานั่นเองเหมือนถ้าตะวันเอาเงินของแม่ไปขโมยไปแล้วตะวันว่าไม่สบายใจเลยเอามาคืนแม่ดีกว่า พอคืน okay. แล้วสวรวังก็หายจากความไม่สบายใจงั้นอย่าทําดีกว่าเอาเงินที่เรามีเองดีกว่าอย่าไปเอาเงินของคนอื่นเพราะจะทำให้คนอื่นเขาทุกข์เดือดร้อนมันก็ไปบันเทิงทุกข์ให้คนหนึ่งมันก็มันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมางั้ถ้าจะช่วยคนเอาเงินของเราหรือว่าไม่ฉะนนั้นก็รวบรวมเพื่อนฝูงชวนเพื่อนฝูง ให้มาช่วยกันทำบุญอะไรอย่างนี้จะดีกว่าแต่การที่เราจะไปทำบาปเพื่อมาทำบุญนี่ไม่ใช่คำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนสอนก่อนเลยให้ละกายกระทำบาปทั้งปวงแล้วก็ให้ทำบุญทั้งหลายให้ถึงพร้อมบาปอย่าทำโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามอย่างทางตะวันตกเขาชอบช่วยคนอื่นให้ตายเร็วขึ้นเวลาเห็น หมามันทรมานฆ่าๆ่ามันอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ควรนะเขาเป็นการกระทำบาปแต่เขาว่าเป็น mercy killing นะเป็นอ่ามีความการุณาคา่าในการเนกรุณาอันนี้ไม่ถูกคมหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนห้ามห้ามทาบาปไม่ว่าเหตุผลอันใดทั้งสิ้นทั้งปวง ปล่ายให้น่างกายตายเป็นตามธรรมชาติของมันเถอะให้ธรรมะก็ดีกว่าสอนให้เขาค่ากิเลสเนี่ย ต, ตัวที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานใจก็คือความไม่อยากตายความไม่อยากเจ็บสองตัวนี้มันทำให้เกิดคามรู้สึกทรมานใจถ้ายอมรับความตายได้ยอมรับความเจ็บได้มันจะไม่ทรมานทุกคนจะต้องเจอกันด้วยกันทุกคน เดี๋ยมาพอมาถึงตัวคิวตัวเองก็ฆ่าตัวตายเยพวกเนี้ยเมื่อเห็นคนหนึ่งเขาทรมาน ก, ก็ฆ่าเขาไปช่วยเขาพอมาถึงคิวตัวเองตัวเองก็ฆ่าตัวตายนั่นเองแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยไปกลับมาเกิดกี่ครั้งเวลาเจอความเจ็บความตายก็จะฆ่าตัวตายอยันนันไม่ได้แก้ปัญหาต้องฆ่ากิเลสฆ่าความกลัวกลัวความเจ็บกลัวความตาย มาไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไอ้ตัวนี้นี่เป็นตัวปัญหาข้ามันงล้วต่อไปกรรมมาเกิดกี่ภพ ก, กี่ชาติก็ไม่ไม่ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บความตายถ้ายัางต้องเห็นว่าตายเกิดอยู <c oughs> นะ่แก้ปัญหาวิธีถูกต้องเนี่ยพระเจ้าทุพกพระองค์สอนสอนสามอย่างใช่ไหมละการกระทำบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ฆ่ากิเลสความโลภความโกรธความหลง่าความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปเพราะมันตัวเป็นตัวสร้างปัญหาเป็นตัวที่พาให้เราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายกันไม่รู้เยอะไม่มีวันหยุดวันหย่อนกันเขาใจย้ยางตะวนันะมีอะไรไหม เสียงไม่มาเลยไม่ทราบเป็นเพ่าะเลยได้ยินไหมคะ อ, อ่าได้ยินนะเรื่องที่พระอาจารย์สอนมาตุ้นเรื่องอ่การุณการุณนััตร์นะพระอาจารย์ก็เอเมื่อเร็วๆนี้ค่ะอะน้องสาวของของคุณมาโกะเขาเลี้ยงหมาใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วเป็นมะเร็งอย่างนี้ยค่ะเขาก็เลยสงสารก็เลยจัดการไปนะค ะ, ะแต่ว่าเราเห็นแล้วเราก็ได้แต่ว่าเฉยๆไปเพราะว่าถ้าไปเสนอความคิดว่ามันไม่ดีอะไรแบบนี้ ก็เด ah ี๋ยวจะตัดใจกันนะคะพระอาจารย์ก็เลยอต้องโอเบขาไปต้องคิดจะน่ะดูว่าเขารับธรรมะได้หรือเปล่าถ้าเขารับไม่ได้ก็ต้องเฉยๆไปอืเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราใจอใจใจจืดใจดําใจคิวหาเสือก็เสือไปยุ่งกับเขาหมาก็ไม่ได้เลี้ยงค่ะแล้้วแลวเขาก็ไม่ได้ปรึกษาเราถ้าเขาปรึกษาเราแล้วเขพูดได้เขาไม่ได้ปรึกษา แต่มันเป็นเจตนาที่ดีใช่ไหมคบพระอาจารย์แบบนี้มันจะกระบางเยอะมันดีแต่มันหลงยมันมันไม่มันไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาเป็นมันเป็นการสั่งสมปัญหาให้กับตัวเองนั่ะตอบไปตัวเองก็จะต้องฆ่าตัวตายเมื่อเห็นเขาทุกข์ทรมานใช่ไหมเพิ่มต่อไปเวลาตัวเองเป็นก็ตัวเองก็จะทุกข์ทรมานก็ไม่ก็กลัวก็ฆ่าตัวตายเ็งี้ย แล้วมันก็จะติดเป็นนสายไปทุกพบทุกชาติแต่มากรี่บเพระกี่ชาติก็จะต้องฆ้าตัวตายมันไม่ได้แก้ปัญหาปัญหาอยู่ที่ความโกลัเจ็บกลัวตายว่าไม่อยากเจ็บไม่อยากตายตัวนี้ที่เป็นตัวปัญหาอืถ้าแก้ตัวนี้ได้แล้ว แว่ ก, กี่พวกกีชาตก็จะไม่ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บความตาย <c oughs> ถ้าทําได้ก็เป็นพระโสดาบันนะถ้าไห่ถ้ตัดความเจ็บความตายได้ไม่กลัวความเจ็บความตายได้ก็เป็นพระโสดาบันเข้าใจยังมีอะไรไหมคุณพระอาจารย์ค เรื่องกลัวกลัวเจ็บกลัวตายนี้ถ้าเกิดขึ้นในฝันนะคะแล้วเราปล่อยวางได้เดี๋ยวนี้จะถือเอาว่าถ้าเกิดในชีวิตจริงเราจะสามารถทำเหมือนในฝันแบบนี้จะจะจะเหมารวมแบบนี้ได้ะะหมคะพระอาจารย์เอาหนูยังไงหมายความว่าเวลาที่เอ่อมันจะมีเวลาที่โยมฝันนะคะพระอาจารย์แล้วแล้วในฝันนี่คือเราเอา่อโยมก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นนะคะพระอาจารย์ไม่ได้ไปไปดิ้นรนว่ามันจะให้มันหายเจ็บหรือว่าไม่อยากตายอะไรแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ ก็ลองเราดูของจริงอันนี้อาจจะเป็นโยมก็ว่ายอย่างนี่วต้องดูของจริงต่อเดี๋ย ว, วาอาจจะมันโลกมะเร็งขึ้นมาอะไรน่าดูเสียอย่าเป็นอย่างไรงหรือไม่ะนั้นก็ลองนั่งนั่งไปนะใหร่างกายมันเจ็บแล้วอย่าไปขยับนะให้ความเจ็บมันหาไปเองอย่างนั้นนะถึงจะรู้จริงของจริงนะพาใจแล้วนะ <c oughs> มีอะไรไหม หมดแล้วนะโอเคสาธุอที่คุณหมอพิเชนได้เห็นหมอมีอะไรจะให้พูดธรรมะข้อไหนวันนี้กับน้ำสการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายปัญญากับอุเบกขาครับอาจารย์มันปัญญาก็คือความรู้ความฉลาด ดังทางทางพุทธศาสนาปัญญาก็คือการเห็นอริยสัจสีเห็นใจรักเห็นอนไรต่างทุกข์างอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งปวกเช่นในกายในเวทนาในจิตเนี่ยเห็นว่ามันเป็นใจรักทั้งแล้วที่ทุกข์ก็เพาะว่าไปอยากไปจัดการกับกายเวทนาจิตให้เป็นไปตามความต้องการของเราซึ่งเราจัดการไม่ได้มันเป็น มันเป็นอนตตามันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมจัดการของใครอันนี้คือคือปัญญาในการที่จะใช้ปัญญาได้ใจก็ต้องมีอุบเบกขาหรือวางเฉยเพราะว่าการวางเฉยนี่นะเป็นการเป็นการปฏิบัติตามที่ปัญญาสอนตัว อ, อย่างประห ย, ยัดปะยะหยัดให้กายเวทนาจิตเป็น อย่างนั้นเป็นอย่างนี้เมือไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เช่นร่างกายก็ไม่อยากให้มันเจ็บไม่ให้มันตายอย่างนี้อยากไปอยากวิธีที่จะทําให้ไม่อยากได้ก็ต้องมีอุเบกขาอุเบกขานี่เป็นตัวสู้กับความอยากแต่ปัญญาเป็นตัวสอนเหตุผล ว, ว่าเราทําไมไม่ควรจะอยากเพราอยากแล้วมันจะทุกข์ถ้าเราไม่มีอุเบกขาเรามีแต่ปัญญามันก็ยัง หยุดไม่ได้ยังหยุดความอยากไม่ได้เห็นตอนนี้พวกเรามีปัญญากันเนยอะได้ยินได้ฟังกันทุกอทิตย์ตายรับอสุภะเกิดแก่เจ็บตายต้องปล่อยวางแต่ปล่อยไม่ได้เพราะไม่มีอุเบกขายังทุกข์กันอยู่ยังทุกข์กับร่างกายทุกข์กับเวทนาทุกข์กับใจทุกข์กับจิตอยู่เพราะเราไม่มีอุเบกขาว่างเฉยเวลา ร่างกายเป็นอะไรไปเราวางเฉยไม่ได้เราเกิดความอยากทันทียังเราต้องมาฝึกสติฝึกสมาธิกันให้จิตรวมเป็นเป็นอัปปนาสมาธิข้าสูตฌานสี่ที่มีแต่โอเบขาเป็นเป็นอารมณ์สัต์แต่ว่าเราพอได้พยายามฝึกบ่อยๆให้มันมีโอเบขามากๆให้มันมีทั้งวันทั้งคืนเลย เวลาเอามาจากสมาธิแค้มันอยู่นั้นอยู่ด้นานๆพอมันหมดก็กลับเข้าไปเติมใหม่อย่างเนี้แล้วต่อไปพอเราเออจากสมาธิมาเราก็ไปทําข้อสอบกันไปหาความตายกันไปหาความเจ็บกันแล้วเราก็จะผ่านมันได้กูเบคาเป็นเป็นเป็นเหมือนกับเป็นผู้สนับสนุนปัญญาปัญญาเป็นผู้นาําทาง แต่อุเบกขาเป็นผู้ที่จะลงลไม้ลงสูกกิเลยหยุดกิเลสเดี๋ยวความอยาก <c oughs> ปัญญาบอกใหตุผลว่าทําไมเราไม่ควรอยากเพราะอยากแล้วจะทําให้เราทุกข์เพราะเราไม่สามารถจัดการกับสภาวะธรรมทั้งหลายได้ถ้าเป็นไปตามความต้องการของเราได้เข้าใจไหมเข้าใจมากขึ้นมากเลยครับอาจารย์ เนแล้วเราลองปฏิบัติขั้นต้นปฏิบัติสร้างอุเบกขาขึ้นมาก่อนพอเรามีอุเบกขาแล้วเราก็ไปใช้ปัญญาพิจารณาปัญญาพิจารณาตายแล้พิจารณาอริยาาสัจสีพ อ, อรู้ว่าทุกเกิดจากความอยากก็เวลาอยากก็ต้องหยุดมไนได้ๆอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแล้ว อ, อยา่างอยากอะไรก็ตามทุกทั้งนั้นนะ่ะ นีอย่างเืินสุราก็ทุกเวลาไม่ได้เด่นอยากเสพ ย, ยาเสพติดมันก็ทุกตัดความอยากได้แล้วมันก็หายทุกอยู่เฉยๆได้แต่ไม่มีเบรคขาแล้วตัดไม่ได้หยู่ไม่ได้นี่ยวิธีแก้แก้การติดยาเสพติดติดอะไรต่างๆเนี่ยไปฝึกสมาธิถ้าฝึกได้แล้วเลิกได้ทุกอย่างที่เราเคยติด ไม่ว่าจะติดอะไรก็ตาม <c oughs> ที่เลิกไม่ได้ก็เพราะมันไม่มีอุบัยขามันทรมานเวลาเกิดความอยากแล้วมันดิน้นใจมันดิน้นแต่ถ้ามือเบี่ขาเราทําให้มันเฉยไม่ให้มันดิ้นได้อือยากโอก็ไม่อยากโอก็เฉยเฉยได้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าไม่มีอุบัยขาอยากแล้วดิ้นหดเหยียดนำคานใจอืม อุเบกขาสำพัญมากเป็นเครื่องมือที่จะซบที่จะใช้กับควบคู่กับปัญญาอีกทีนึงถ้ามีอุเบกขาไม่มีปัญญามันก็มันก็ไม่ไม่รู้ว่าจะไปไปไปไ ป, ไปหยุดอะไรไปหยุดที่ไหนไปหยุดใครสมัยก่อนที่พระเจ้าจะตัดสรุปก็มีพวกปฏิบัติหนักปฏิบัติมือสีเาก็มีอุเบกขากัน แต่เขาไม่รู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์เกิดจากอะไรเวลาเขาเจ็บเวลาเขาจะตายเขาทุกข์แต่เขาไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเขาอย่างมากาห็หลบหลบหลบความทุกข์ด้วยการเข้าชานไปไม่ประชิญหน้ากับความเจ็บความตายหลบเข้าชานไปแต่หลบก็ไม่ได้ไม่ได้ไปแก้ปัญหาคือตัวที่สร้างความทุกข์ยังยังไม่ได้ถูกกาจัดนะ มีพระทศเจ้าเป็นคนที่ตัดสรู้คนเพราะว่าตัวที่เป็นปัญหาสร้างความทุกข์ก็คือความอยากนี่ต้องหยุดความอยากจะหยุดความอยากได้ก็ต้องมี อ, อุเบกขาเข้าใจนะครับเข้าใจมากครับพระดันกับขอบพระคุณอย่างสูงครับโอเคไปที่ท่านต่อไปนะ คุณบอลเป็นเสียงดังกว่าป่าเก่ากว่ามดังดังกว่าเดิมนิดเดียวครับรอาจารย์แต่โอเคครับได้ได้ยินได้ยินกันทุกคนนะครับชัดดีนะครับทดสอบไม้ไไม้มาไ ม, ไมคุณหบอส่งมาให้ไม่แน่ใจไว้เป็นยังไงฟังทุกคนฟังได้ยินนะไม่มีปัญหาโอเคไปที่คุณสาตกาที่ช้ยนาะท มาอยู่วันที่ก่แล้ว อ, อยู่เมื อ, อมมงขาแล้วอ่ามาฟังธรรครับอาจารย์ปฏิบัติตอนนี้อยู่สิบวันเลยเหรอนะาได้กี่วันแล้วล่ะอ่าได้เจ็ดวันแล้วค่ะโอ้แล้วนะเจ็ดวันรู้สึกแสียงแผ่วแล้วกันเน <laughs> ีเป็นวันอาเป็นวันอ่าค่ะสงบดีนะสงบดีค่ะค่ะ ไม่มไวุ่นวายจิตไม่สายแสบไม่ไม่ไม่ไม่ไมอ่านหนังสือฟังเทศค่ะโอเคาาาไม่มีอะไรนะอ่าอ่าไปนาราที่ว่าคุ ณ, คณิตาอุสากันิสยาน้ำตกการค่ะอาจารย์วันนี้คนข้างๆเขาป่วยค่ะยมเลยมาคนเดียว ก็มาด้วยกันไม่ได้ใ่เขากลัวแม่เปิดไม่เป็นคะ่ะอ๋อเขาเปิดได้เลยค่ะคือโยมโยมก็จะรายงานจันว่าหลังจากแต่วันพุทธที่แล้วจนวันพุธนี้โยมยังไม่ได้ถ่ายรูปก้อนเมฆเลยค่ะแต่ว่า ก, ก่อนหน้านี้ก็หยุดไปนานแล้วว่ะค่ะแล้วก็เริ่มกลับมาถ่ายใหม่แล้วจนวันนี้ก็เลยหยุด <c oughs> เพราะว่าโยมตอนแรกคิดว่าการส่งจิตออกนอกในความเข้าใจของโยมนะคะว่า เราจะต้องไม่ตอนใช้ตอนที่เรานั่งสมาธิแต่พอมาฟังอ๋อแสดงว่ามันต้องอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่ถ่ายก้อนเมฆก็เหมือนกับเราส่งออกไปข้างนอกแบบนั้นใช่ไหมคะอืมจิตออกนอกค่ะแล้วก็ไปยึดติดก้อนเมฆใช่แล้วก็เกิดความทุกข์เวลาก้อนเมฆก้อนเมฆ เ, เปลี่ยนไปอคือคือมันอ่ามันเหมือ น, นกับ เป็นทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะะว่าก้อนเมฆแบบนี้เป็นอะไรเป็นอะไรแบบนี้นะค่ะมันมันชอบแบบนั้นนะคะอย่างเป็นหมวกเมฆสีลุ้งแล้วก็จะเก็บแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็คือเอ่อก็พยายามไม่สนใจมันไม่ว่าจะฟ้าจะเป็นยังไงจะมีทรงกฎหรือไม่ก็จะไม่ออกไปสนใจอ่ะคะ<ม>่ะแต่บางทีก็เผลอเงยขึ้นดูเสร็จบอกก็ก้มลงบอกลูกว่าอะไรลูกไหมลูกว่าก้อนเมฆใช่มันพอเงยขึ้นมาปุ๊บพอสายฟ้าลงมาโอ้ยสวยจังเลยเอ้าวหลุดอีกแล้วก็เลยกลับมาใหม่อ่ะค่ะ ก็พยายามจะไม่ส่งออกนอกแล้วก็โยมได้เอาธรรมะของอาจารย์นะคะมาแชร์ในในเฟซบุ๊กของโยมซึ่งตอนนี้บอกอยาให้สอนตัวเองก่อนที่จะไปสอนคนอื่นรู้สึกว่ามันอืมใช่มันลงใจมากอะค่ะแต่โยมไม่ได้ขออนุ ญ, ญาตอาจารย์โยมก็ไปก๊อปมาแล้วมาตั้งในเฟซตัวเองแล้วลงภาพตามตัวเองลงอะค่ะได้ไหมคะได้ใช่ได้ไม่ไม่เสียหายอันนี้ไม่ได้ถือว่าสอนเพียงแต่แบ่งปันธรรมะ ใช่ค <ทะ S 2> ่ะาธรรมะของกูบาจารย์นะแต่ตัวเราอย่าเพิ่งไปตั้งตัวเป็นอาจารย์สอน<ย><อ>คนสอื่ะสอนตัวเองค่ ะ, อะสอนตัวเองว่าเอ้ยเราบังเอิญว่าวันนั้นไปพูดกับรุ่นน้องคนหนึ่งแล้วเขาก็เหมือนกับเขาไม่รับแสดงว่าเราก็ฉุกใจว่าอย่าไปยุ่งเรื่องเขาแล้วมาเจอธรรมะ บ, บทนี้พอดีโยมก็เลยเอามาแชร์เหมือนกับว่าพาออ่านปุ๊บเตือนตัวเองอะค่ะว่าอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นก็เลยคิดว่าการที่เราไม่ยุ่ง ากับการระวังเฉยบางทีมันก็กล้ามกึ่งค่ะอาจารย์ว่าเอ๊ะเราจะปล่อยเขาดีไหมอะไรแบบเนี้ค่ะทำให้เรารู้สึกเอ๊ะเราควรจะทํายังไงดีแต่ว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าค่ะแบบนี้<ม>เราไม่เห็นแก่ตัวนะคะไม่เห็นดอกว่าเรายังเรียนไม่จบนะใช่ให้ให<ช>ไปสอนเขาเลยให้เรียนให้จบก่อนถึงแม้จบแล้วก็ไม่ใช่พอมันจบแล้วมันก็ไม่อยากจะสอนใครต้องร้อ ย, ยต้องร้อยเข้ามานะมาขอขอขอให้เราสอนบางีก็สอน ใช่ใช่คือประมาณว่าบางทีเราเห็นเราก็อยากอยากช่วยอะค่ะกิเลสกิเลนมันออกมาแนละ้วใช่ล้วก็<ม>รู้สึกว่าอ๋อมันมันมันทำให้เราเป็นแบบนี้นี่เองแล้วก็อย่างการที่ว่าพอส่งจิตออกนอกแสดงว่าเราต้องคุมมันตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนถึงนอนหลับอย่างนี้ถูกใช่ไหมคะใช่ไม่ให้มันออกนอะ<ม>คือ<ม>ออกนอกก็ต้องมีสติมีปัญญาคอยคุมไันไม่ให้เกิดกิเลสขึ้นมาค่ะ เห ม, มเขาปล่อยนักโทษออกมาทํางานนอกคุกเขาก็ต้องมีคนคุมด้วยใช่ไหมไม่ปล่อยให้นักโทษออกมาทาํางานมันไม่มีคนคุมเดีย๋ยวนักโทษมันก็หนีเที่ยวไรเงี้กันนะถ้าถ้าอย่างนั้นนอกจากก้อนเมฆไอ้ต้นไม้ดอกไม้อะไรทั้งหมดเราต้องร่ว น, น<ส>รูปเสียงกิน่นรถบรรยาการูปอย่างเดียวเสียงที่ได้ยินเขเหมือนกั น, ต, นตอนนี้เสียงไม่เท่าไหร่แล้วค่ะอาจารย์เสียงไม่เท่าไหร่แล้วค่ะเสียงไม่ค่อยมีบทบาทแล้วคะ่ะแต่ว่าต้น การมาฉันทะการมคาคุณท่าแสดงว่าเราเข้าใจผิดแล้วคิดว่าตอนแรกหยุดไปนานเลยค่ะตั้งแต่กลับมาจากปฏิบัติธรรมรอบก่อนหยุดไปนานเลยจะบอกเมันก็ไม่ได้ผิดศีลอะไรตรงไหนน่นากิเลศหลอกเราอีกแล้วอะค่ะก็เลยกลับมาถ่ายรูปใหม่แล้วพอมาปุ๊บมาฟังอ๋อมันการส่งจิตออกนอกตอนนี้ก็พยายามพยายามว่าตื่นช้ามาก็คืออยู่กับการกระทำของตัวเองให้มากขึ้นนะคะก็รู้สึกว่าก็กลับมามากขึ้นกว่าเดิมอะค่ะอาจารย์ อด้ดีแล้วก็มาเจอในหนังสือธาตุรู้ด้านหลังสุดที่บอกว่าอริยสัจค่าอริยสัจบอกโอ้โหมันมันมาได้ยังไงมันลึกมากเลยคํานี้ก็บอกอ๋อมันก็จริงอย่างที่อาจารย์เขียนเอาไว้ในด้านหลังอนะคะรู้สึกแบบอ๋อเราเราเราไม่รู้จริงมันอยู่ใกล้ตัวเราแค่นี้เองแต่เราไม่รู้พอฟังธรรมมของอาจารย์บ่อยๆฟังเรื่องนี้บ่อยๆมันก็ตกผลึกไปเรื่อยๆะคะ่ะ มันเกิดประโยชน์ตรงนี้ค่ะให้เราแบบแทนที่จับเมื่อก่อนคนอารมณ์ร้อนใช่ไหมคะ <S <S จีตขึ้นมาเนี่ยตอนนี้บอกอืมวางลงบางทีรู้สึกโกรธคำว่าอุเบกขามันก็ขึ้นมาในใจเออวางลงก็ แ, แก้ที่เร า, ารเออวางลงสากแต่ได้ยินสากแต่เห็น<ะ>ไม่ต้องมีอารมณ์กับสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินเฉยๆไว้อุเบกขาโอมันมัน มันมันทุกนะคะอาจารย์มันรู้สึกว่าโอ้คนเป็นคนนี้มันลําบากเหลือเกินนะคะการที่เราเจอชนะของเราเนี่ยบางทีปุ๊บเมื่อก่อนถ้ามีคนว่าเนี่ยตาต่อตาฟันต่อฟันเลยค่ะปุ๊บกลับเลยค่ะนับหนึ่งถึงสิบไปอยู่ต่อหน้าเขาแล้วแต่ว่าตอนนี้คือปุ๊บพอได้เรื่องเข้ามาเออเราช่างนั้นจริงอาจารย์บอกว่าเขาด่าเราก็ยังดีกว่าตีเราเ้าตีเราดีกว่าฆ่าเราเออไอคำนี้ต้องเอามาใช้ในใจค่ะอาจารย์รู้สึกว่ามันใช้ได้จริงๆค่ะอาจารย์รู้สึกจากคนที่ใจร้อนแบบ ร้อนจริงๆจนกระทั่งกายมาเป็นว่าดูมันยังร้อนอยู่แต่ก็เบาลงเยอะเลยค่ะให้มันหายไปฝึกสมาธิมากๆฝึกสติสมาธิมากๆตอนนี้ก็พยายามทำทุกช้าแต่ว่าตอนหัวค่มอย่างนี้ยังทีไม่ได้อะค่ะเพราะกลับมาจากร้านเหนื่อยก็หลับก็อาศัยตื่นมาตีหนึ่งตีสองอาบน้ำแล้วก็เริ่มทำตอนนั้นนะคะอาจารย์พยายามเต็มที่ค่ะได้ทำให้เท่าที่ทาได้ก็แล้วกันค่ะ ขอพระคุณอาจารย์นะคะยงจะพยายามทําให้เต็มที่ค่ะสาธุค่ะขอพระคุณค่ะสาธุที่กราบธรมออาจารย์พรหมไปได้กรรมนวัตกรรมอาจารย์ค่ะอ่าไงนวัสการพระอาจารย์ครับเป็นยังไงสบายดีนะสบายดีครับคิดถึงครับไม่ได้พบหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วไปลาลาลน่ะ ไปสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนเก่า reunion ค่ะใครทำงานร่วมกันเพื่อนร่วมงานกันโอเคมีอะไรไหมอัจารย์คะจะเรียนถามว่ า, าที่เรา สุดของเราเองเนี่นะคะว่าเราก็มองอะไรเนี่ยไม่เป็นทุกมองอะไรไม่ไม่เป็นทุกหมดเลยก็คือเห็นอะไรก็รู้แล้วแนะ่ะเออใช่แต่เราก็ไม่ทุกแล้วเราก็เย็นเย็นเฉยเฉยไปในทุกเรื่องไม่ว่าใครจะเข้ามากระทบประเภทไหนถ้าเราเห็นอะไรไม่เป็นทุกเนี่ยมันเป็นไงฮะ แต่ว่าในเรื่องก็เป็นภผอาหาละไม่แต่ว่าในเรื่องสุขเนี่ยเราพอมันสุกนี่เรารู้สึกว่าเออนี่มันสุกเพราะยังติดอยู่ในคําว่าคือยังติดอยู่เรื่องของคํา happiness อะไรอย่างเงี้ยอยู่เลยนะคะอืมแต่ว่าทุกนี่เราก็เออมันก็เป็นอย่างนี้แหละอะไรจะมาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสุกยังติดติดสุกก็ยังทุกอยู่เวลาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ความสุกก็ทุกอยู่ อ่าแต่ว่าเออก็ก็คล้ยๆทำนองนั้นนะคะก็ยิ่งติดติดสุขมากกว่าเวลาไม่ได้เสพความสุขก็ทุกเนี่ยให้อยู่เฉยๆไม่ไม่ทำอะไรไม่ดูไม่ฟังอะไรมันก็ทุกเลยแต่ปกติก็เราก็ไม่ค่อยดูทีวีกันะคะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินอะไรมันต้องไหมเลยไม่ไม่น้องไม่ค่อยต้องไหมเลยอ่าน้องไหมเลยไม่ได้ไม่ฟังไม่อะไร้นั่น เพราะส่วนตัวก็ไม่มีเฟซบุ๊กนะคะไม่เคยอยากจะมีไม่มีไม่มีไม่ต้องไม่ต้องรู้ไม่ต้องมีฉันก็คือฉันอยู่อย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้ได้คบหาคนข้างนอกเลยนะคะก็ปิดประตูไว้ก็ใครจะหาเราก็ไม่เจอในเฟซบุ๊กเราก็ไม่มีอยู่ในนั้นก็ดี กไม่ต้องไปสนใจกับใครกานอยู่กับความว่างให้ได้ถ้ายังต้องมีนู่นมีนี่อยู่ก็แสดงว่ายังยังติดอยู่ยังไม่มีอะไรเลยโอ้ตอค่อยๆไปเรื่อยๆค่ะแต่ก็<อ>คิดว่าไปได้ไปได้เรื่อยๆนะฮะถนนกด็ดูลำลื่นดีเพ็จะวัาอันนี้ก็เพงต่บอกแนวทางให้ใหทราบท่านเอ่ ค่ะถ้าไม่ทุกกับอะไรเลยก็ก็ไม่ก็จบนะที่มาปฏิบัติกันทั้งหมดนี่ก็เพื่อไม่ให้ทุกขกับอะไรคือคือเห็นทุกข์แล้วก็เออก็ร้ว่คื อ, ค, อคือทุกข์กันนะค่ะก็คื อ, อ ม, มันก็เลยมองอะไรไม่ไม่เป็นทุกขนะ์น่ะเพราะนั้นจะว่าอะไรจะเป็นอะไรเราก็เออเราก็ไม่ได้ทุกข์ อ, อ่ไว้รอเป็นไว้เป็นประไร็ก่อนอย่าเฉยให้เปล่าอุก็ก็เคยผ่านผ่านมันแล้วค่ะอืมก็แอนเออทุก ไปทําหลายอย่างนะคะแต่ก็เฉยๆก็นึกว่าต้องตัดอะไรก็ตัดไป<ม>อะไรเงี้ยนะคะอ<ม>แต่ก็สรุปแล้วไม่ได้เป็น<ม>อยังยังไม่เป็น<ม>นะก็ตั้งดูไปเรื่อยๆแต่เฉยเฉยอย่างนีถ้าไม่ทุกก็โอเคถ้าไม่ทุกข์ก็โอเคคุณจันทามีคําถามมีคําถามหนึ่งทำให้นึกถึงว่าเคยไปศรีรังกานะคะแล้วก็เวลาเราเข้าไปที่วัดศรีรังกาเนี่ยหรือว่าเครื่อแก้วเนี่ย คนศรีรังกาเนี่ยเวลาเขาเข้าวัดเนี่ยไม่ได้พับเทียบหรืออะไรนะเขานั่งเขานั่งยื้ขาไปข้างหน้าแล้วก็นั่งสวดมนต์เป็นธรองเาเป็นทียมของเขาเขาเขาเขาอาจจะมีความละเอียดไม่เราไม่เหมือนกับของของไทยเราหรือว่าเขาไม่ได้ถือเรื่ององเท้าว่าเป็นเรื่องของต่าเนื่ยอะไรเพราะว่าอะไรหนึ่ เขาก็แสดงความเคารพของเขาไปตามวิถีของเขาเหมือนกันแล้วแต่อันนีเป็นเรื่องวัฒนธรรมวัฒนธรรมแล้วก็เอามาใช้กับกับพุทธศาสนาวิธีแสดงความเคารพของเขาก็คือนั่งยืดเท้ามุขเราหานที่จะเป็นนั่งสมาธิสักหน่อย หาที่ยากเล็กน้อยแต่ก็ได้ในวิสุทธิ์ก็มีคนเขาไปขอที่ยาก็ก็ได้นางอืก็เลยแชร์แค่นั้นค่ะพอดีนึกถึงว่าอืมในแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันในการปฏิบัติแต่เขาตสังเไปดูชาวพุทธที่หลาละประเทศนี้มาเปรียบเทียบกับของไทยเราของไทยเราสวยงามกว่าเยอะค่เนื่องการแสดงความเคารพนี่ละเอียดตัวเยอะ อาจจะมีวัฒนธรรมที่ผู้หลักผู้ใหญ่อดีตในอนดีตเป็นผู้สอนเรามากันเราก็ต้องภูมิใจในความเป็นเป็นไทยแล้วก็ชาวพูดของเราอะนะคะวัฒนธรรมของเราค่อนข้างละเอียดมาก ม, มีสิ่งที่ดีงามแต่เราไม่ถ่ายทอดให้กับลูกหลานเราปล่อยให้ลูกหลานไปอยู่กับพวกลิงมันก็เลยกลายเป็นเรียนหนูท่อไปเรียนา น, ายนานาชาติกัน ได้นั่นแหละที่เพาะลิงกันที่เลีเ้ยงลิงเงิน <c oughs> มีศรัทธ า, า, ย, าย่าปปเดียวคนใสายบาส่งลูกไปเรียนในชาติได้ปีเดียวไม่เอากลับบ้านย้ายไปเรียนโรงเรียนธรรมะเลยบอกว่าอ๋ออ๋ออ๋ อ, อ, อมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีสัมมาคารวะมันไม่มีอะไรเลย อ, อะไรเห็นแล้วก็ตกใจเสียงเงินเยอะแล้วกลับไปเสียลูกด้วยวอาไม่เอาดีกว่าค่ะ ไดแค่แค่ภาษาเท่านี้จริงๆแล้วทุกคนไม่ว่าจะเรียนภาษาไหนนะความเก่งเนี่ยอยู่ในในทุกภาษาเพียงแต่ว่าเงินนานาชาติสอนแค่ได้ได้ภาษาภาษาอะไรตความรู้ตามความรู้เนี่ยก็ด้วยความคิดอ่านแบบทางตะวันตกเขาก็มีของเขาซึ่งถ้าจะพูดถ้ามองทางด้านวัตถุก็โอเคถ้าเราอยากจะไปทางวัตถุ S <S อยากจ ะ, จะเจริญทางด้านว่าถุเขาเก่งทางด้านนี้แต่ทางด้านจริยธรรมตามคุณธรรมนี้เขาไม่รู้เรื่องเลยค่ะกอีกเรื่องหนึ่งคือประวัติศาสตร์ไทยค่ะไม่ทราบ ว, ว่าเราไปเรียนที่อเมริกาเขาบางังคับให้เราเรียน U.S history แต่ถึงเวลาแล้วไม่ทราบเขาเรียนประวัติศาสตร์ไทยไหมที่โร้เรียนอินเตอร์ ไม่ทราบเหมือนกันแต่เมื่อได้าวว่ามองเรียนเขาให้เรียนภาษาไทยด้วยนะอ๋อค่ะให้เรียนภาษาไทยด้วยะประวัติศาสตร์ไทยไม่ทราบเขาจะให้สอนปล่าไม่ทราบอันนี้ต้องคงต้องควรจะบังคับนะเพราะยังมัเขาบังคับเราให้เรียนเวลาสมัยสมัยที่เรียนที่เซมัเดเขาไม่ได้สอนประวัติศาสตร์ไทยไม่สอนภาษาไทยอ๋อเหรอคะอ๋อเป็นประวัติศาสตร์โลกเป็นประวัติศาสตร์อเมริกาอไรพวกนี้ อ๋ออ๋อนึกว่านกว่าสอนเพราะเรไปแล้วเขายังให้บังคับให้เราเรียนเลยอปีหนึ่งปีสองเขาบังคับให้เราเรียนอยเวสิสตัมค่ะโอเครบกวนผู้อาจารย์่ทุกอาจารย์แต่ขอขอบคุณแู้จัดการค่ะอาจารย์ทัดการแข็งแรงนะครับยังเหมือนเดิมอยู่ทุกอย่างโอเคยังดูสดชื่นโอเคไปที่คุณมาลีต่อบอุทาการ ออมกลลงพ่อค่ะไม่ได้เะไรที่เท่ยวอ่าไม่นทีที่แล้วอทีเดียวเข้าไม่ได้ค่ะหลวงพ่อฟังฟังอยู่ข้านอกวันนี้ก็เกือบจะไม่ได้เข้าเข้าอยู่ตั้งนานก็มุนต้อเกือบจะไม่ได้แล้วก็พยายามจะฟังอยู่ก็ปฏิบัติอยู่ทุกวันค่ะหลวงพ่อวันนี้ขอถามว่า ถ้าถ้าสมมติว่ามีพระส่งมาถามหนูอะค่ะหลวงพ่อว่ า, วารูปกันน้าเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูก็ตอบท่านไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตอนแรกหนูเข้าใจว่านด้สมนานธรรมกันได้ชนนานธรรมน้ำตอมได้กลัวว่าเดี๋ยวจะ ประมาณว่าเดี๋ยวจะไปสอนพระอย่างเงี้ยก็กลัวบาปอะไรเงี้ยหรอไม่บาปเราไม่บาปสอนคำมั่งไม่จะสอนพระสอนให้ใครไม่บาปทั้งนั้นแต่เราต้องรู้จักกาลรรเทศะทา่านเองอ๋อพอดีหนูไปถวายสังฆทานแล้วแล้วท่านก็ดูจดจดต้องต้องบอกว่าขอขอถามอะไรหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกยงังไม่เป็นไรหรอถ้ามันเป็นเป็นเป็นมั น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเฉพาะกิจเฉพาะการ ที่บอกไม่ให้สอนนี่มาเช่นเนี้ยอันนี้เรายังเรียนไม่จบยังอยากพึ่งไปตั้งตัวเองเป็นอาจารย์แล้วไม่ปฏิบัติอะไรต่อมีแต่สอนอย่างเดียวอย่างเงี้ยไม่ถูกค่ะแล้วแล้วท่านก็ถามว่าแล้วพิจารณาปัญญาเนี่ยทําในสมาธิหนูก็เลยตอบว่ายังยังไม่ทําอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันจะไม่ได้สอนใช่ไหมคือเขาบอกแลวก็คุยกันได้สนทนาธรรมเป็นการสนทนาธรรมค่ะ อืมไม่เป็นไรก็ท่านถ้าอยู่ดีท่านไม่ได้ถามเราเราไปบอกท่านยังไม่ควรท่านต้องวิปัสสนาท่านต้องสมาธิก่อนอย่างเพื่อไปวิปัสสนานะอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ไม่ควรแต่ท่านก็มาคุยมาถามเราอะไรเงี้ยพูดได้ท่านรับรูะท่านท่านดูแบบสนใจท่านอยากฟังเนี้ยแต่หนูก็ไม่ได้พูดเยอะนะคะแค่แค่บอกว่าหนูก็ฝึกอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะห่อ สกาก็ไม่กลรวพูดมากกับพระนอกจากว่าถ้าเป็นเรื่องเรื่องสนทางงานาธรรมกันแล้วก็อยู่ในที่สาธารณะก็โอเ ค, คแต่ไม่กลวที่อยู่ <คน S 1> ที่ไม่อยู่ไม่กลอยู่ที่ที่สองต่อสองอยู่ในที่รับตารับหูนี่ไม่กลัวค่ะห น, ห น, หนูหนูเคยเคยพูดเหมือนจริงๆรงพงทวงว่าทำไมที่บ้านต่างจังหวัดน่ะหาแบบหนูจะหา วัดหรือว่าที่สอนเรื่องปฏิบัติเนี้ยมันไม่ค่อยมันไม่แทบไม่มีเลยอ่ะค่ะแถวบ้านและแล้วแล้วท่านมาอยู่วัดเนี้ยท่านก็เหมือนแบบต้องคอยรับสังฆทานทุกวันนะคะหลวงพ่อแล้วแล้วท่านก็พยายามที่จะจะฝึกอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าจะไปถามใครอะไรประมาณเนี้ยค่ะท่านก็เลยมามาถามเกลาเวลาท่านบวชท่านท่านไม่ยองอาจจะไม่รู้เป้าหมายของท่านว่าท่านจะบวชเพื่ออะไร ค่อย่างเรานี้ก่อนจะบวชเราลูกเราเราจะบวชเพื่อปฏิบัติใช่ไหเราเราจะไปบวชเราไปถามวัดเท่าไหร่ว่าเ ข, าขอบวชแล้วปฏิบัติ ไ, ได้ไหมไม่เอาบุญบางท้งสวดได้ไหมโองไม่ได้แล้ววันนี้มีบุญบางท้งสวดหนูหาไปแบบทั้งตำบลเลยแทบไม่มีเลยค่ะหลวงพ่อวัดปฏิบตัติเราหาไก่้องไปแถวภาคอสาน<ช>เป็นหลวง่อ นงเป็นนงของภาพปฏิบัติค่ะหลวงพ่อวันนี้หนูก็ไม่ไม่มีคำถามอะไรคะ่ะก็ยังปฏิบัติอยู่คะ่ะหลวงพ่อจแล้วค่ะดีมากีมอใ จ, ใจิตใจราบรื่นดีสงบดีไม่วุ่นวายไม่ทุกข์กับอะไรนะสงบดีคะ่ะหลวงพอ่อแต่ก็มีมีบททดสอบ ม, มาเรื่อยๆนะคะหลวงพ่ออือดีทุกบทมีปัญญาบอกเกิดนะแบบแรงด้วยคะ่ะหลวงพ่อ มาดูซิว่าเราจะผ่านมันได้ไหมก็ก็รู้สึกแปลกใจว่าทําไมทําไมเราไม่แบบทําอะไรที่มันแรงๆตอบโต้อะไรเงี้ยคือโดนโดนแกล้งเรื่องงานอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อแพ้แพ้เป็นภระชนะเป็นบานเราเป็นพระเราก็ต้องแพ้ท่านั้นเอคือมีความรู้สึกว่าทําไมเรายังดังปล่อยให้เขาทําอย่างเงี้ยค่เราเป็<อ>นพร<ต>ะไงเราเป็นพระไงตัดกรตไม่ตาเราไม่ยอมเราให้อภัยเขา แล้วพอเจอกันอีกเขาก็มาพูดดีเราก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี้ยค่ะหลวงพ่อแนูต้องคอเราไม่สร้างศัตรูเราไม่สร้างศัตรูเราสร้างแต่เมตหลวงพ่อแต่ว่าหนูต้องคอยระวังตลอดเลยอะค่ะหลวงพ่อเพราะว่าจะโดนโดนตลอดเลยอะค่ะหลวงพ่อนั่นแหละดี่ยมารบมีบารมีบ่เกิดใช่ทุกบามีปัญญาบ่เกิด ค่หลวงพ่ออโอเคนะค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะสาธุค่ะอ่าน้องออมจากบ่อวินชนบุรียังไงไปสู้ความกลัวอีกไหมนั่สการค่ะจองไปแล้วไม่ว่างเลยไม่ว่างไม่จองแน่แน่แต่แต่เดือนที่แล้วก็ฝึกที่บ้านอยู่นะคะถ้าจังถือศีลแปดสองวันเอ่ แต่แต่ว่าไม่ได้ต่อเนื่องนะคะก็คืออาทิตย์นี้ฝึกแล้วก็อาทิตย์หน้าอย่างเงี้ยค่ะอาทิตย์ละวันค่ะค่ะเดี๋ยวอาทิตย์ไปเสร็จทำให้มันทุกอาทิตย์ไปมันปกติถ้าไปเดือนละครั้งก็สองคืนใช่ไหมคะก็ถ้าอยู่บ้านก็จะสองคืนเหมือนที่ไปอ่าแค่สองคืนชาทุกอาทิตย์ก็เป็นสี่สี่วันเลยนะเพะฉะนใช่มันต้องเพิ่มหรือต้องรอนบัตรถ้าอยากจะก้าวหน้าค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยว เดี๋ยวพยายามขึ้นไปค่ะเหมือนตักน้ําใส่ตัว่วหลักอาทิตย์ละขันมันก็มันก็ได้ขันเดี๋ยวก็อทิตละสองขันนี้มันก็ได้มันก็จะเต็มเร็วขึ้นค่ะเริ่มต้นก็คือทําเหมือนที่ไปก่อนเท่ากับที่ไปก่อนค่ะอ่าแล้วก็เพิ่มต้องเพิ่มค่ะค่ะวันนี้มีคําถามคะ่ะพระอาจารย์อ่าเออเอ อ, เ อ, อ, อ รอบก่อนที่ถามผ่าอาจารย์ไปเรื่องขันห้าที่เป็นรูปกับนามมาขันนะคะทีนี้ ม, มีความสงสัยว่าอาจิตใจที่บริสุทธิ์อะคะ่ะมันไปฟอกรูปประขันให้เป็นธ า, ดดงงนะะนาตุได้ยังไงอะคะเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ได้ยังไงก็เพราะว่ามันไม่มีกิเลสไงมันไม่มีกิเลสสังเกตเ<ร>ดูเวล า, าไม่มีกิเลสเนี่ยเวลาโกรธเนี่ยมันไปทำให้ผมหลอกไปใช่ไหมดูเพิ่ วลาเครียดอย่างเงี้ยอยู่พวกที่เป็นผู้บริหารเป็นนายกเนี่ยเอาไปเป็นปั๊บไม่กี่ปีผมงอบเขาออกมาพอพ้นจากตําแหน่งมาไม่ไม่กี่ปีผมกลับดําเหมือนเดิมนี่แหละฟลอกทาตก็คือมันสามารถแสดงออกทางทางฮร์โมนร่างกายของเราได้ใช่มั น, ม น, มนจะไปกระทุ้งเวลาเราโกรธเนี่ยฮอร์โมน<ม>ออกมาเนี่ยฮอร์โมน<ม>ชนิดต่างๆมันจะออกมาะ<ม> จะเป็นฮอร์โมนที่ไม่ดีเวลาโกรธเวลาโลภเนี่ยเวลาเครียดเนี่ยนะการแพทย์เนี่ยเขาเรียว่าความเครียดเนี่ยเป็นตัวที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของร่างกายเป็นอย่างมา ก, กระบบของร่างกายใช่นะไหมใช่ถ้าใจสงบใจอ า, ากาจักระความโลภโกรธลงมาใจมันก็ไม่ไปกระทบกระเทือนกับการทํางานของร่างกายอให้ร่างกายทํางานตามธรรมชาติไม่มีการหลั่งสารที่ที่ไม่ดีต่ตางๆออกมา เป็นธาตุที่บริสุทธิ์ไหมคะอาจารย์ใช่ใจใช่ค่ะ <ใน S 1> คือ <ใน S 1> ถ้าใจ <น S 1> สะอาดแล้วมันจะทำให้ร่างกายที่มีที่ประกอบด้วยธาตุสีนี้เป็นธาตุที่บริสุทธิ์ไหมคะก็ก็มันก็มันก็ไม่ได้ไปทำให้มันมันก็บล่อยให้ัเป็นไปตามธรรมชาติของมันเนี่ยแล้ ว, ลวที่ธาต ธาตุของพระอรหันต์อย่างเงี้ยที่เป็นคิดโต้โหที่เป็นอะไรเงี้ยค่ะว่าอาจารย์คือส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันเนี่ยไม่รู้วม่ามาจากที่ไหนกันนะเนี่ยก็อันนี้ก็ไม่การยืนยันถ้าอยากจะดูธาตุของแท้ไปดูพิพิธภัณฑ์หลวงปู่บ้านเนี่ยพิพิธภัณฑ์ของครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยจะมีจะมีพระธาตุของท่านท่านให้ให้ดูนะซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนก้อ น, ก, อนก้อนหินน่ะอป็นเหมือนพวกแระพระพวก เขาเรีอะเพชรนินจินดาคุกอะไรต่างๆหน่อยอซึ่งมันมีหลายลักษณะมีหลายสีหลายลักษณะด้วยกันแล้วไม่ได้หมายความว่ากระดูกทุกชิ้นจะกลายเป็นไปหมดนะมันอาจจะเป็นแค่าบางส่วนได้คือมันสามารถแปลงกระดูกนี้ให้กลายเป็นเป็นธาตุนะเป็นเป็นก้อนหินได้ที่เป็นใสๆอะไรอย่างนี้ได้มั น, ม, ม, นมันเหมือนอัยมันดีขึ้นมา มันแม่มันแม่เสื่อมเหมือนกับกระดูกเนี่ยกระดูกที่ไเวลานานเข้ามันก็มันก็ผุใบพังไปแต่ถ้ามันกลายเป็นพระธาตุมันก็จะเหมือนก้อนหินเนี่ยอันยมณีมันก็อยู่ไปนานเข้าใจยังค่ะเข้าใจค่ะอแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้นะว่าก็เวลาเขาบอกพระธาตุพระธาตุกันเราไม่รู้เข้ามาจากที่ไหน อย่งละแต่เราก็ไม่ต้องการที่จะไปอสงสยัยนะเราก็ใชแล้วก็รับฟังไว้ซึ่งความจริงพระท่านจะมีไม่มีมันก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับเราเท่าไหร่หรอกมันก็ไม่ได้ทําให้เราเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาจากการมีพระเห็นพระท่านหรือเอาพระท่านมาครอบครองมันเป็นเพียงแต่อาจจะทําให้ศรัทธาเรามั่นคงขึ้นหน่อยว่าอ๋อพระพุทธเจ้ามีจริงนะพระอรหันต์มีจริงเนะนี่คือส่วนที่เหลือของร่างกายของท่านเนี่ยเป็นอย่างนี้ จริงจริงไม่ได้สนใจอะไรกับพัทธะหรอกค่ะอาจารย์สนใจแค่กระบวนการเปลี่ยนว่าว่ามันเปลี่ยนได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นะอมันมีผลกระตุ้นใจเรามันมีผลกระตุ้นกบอกการทํางานของร่างกายเวลาตื่นเต้นตกใจนี้เป็นไงใจหัวใจเต้นสารต่างๆเราออกมาใช่ไหมเพราะว่ามันยังมีวิญญาณคอนเนกตันอยู่ใช่ไหมคะ ก็ก็เรายังไม่ตายเนี่ยมันก็มันก็ติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาสั่งการตลอดเวลาแต่เวลาเวลาเราใจเราสงบใจเราไม่หลับตอนนั้นก็เหมือนเรากำลังฟอกใช่ไหมใจเราเย็นใจสบายเวลาไม่อยู่เบรคคาเป็นยังไงอาการของร่างใจก็ไม่ถูกกระทบกระเทือนแต่เวลาใจสงบเวลาแต่เวลาใจเครียดตื่นเต้นนี่ยมันก็ไปกระทบกับกัน ทำงานของนางกายนางประขันก็ยังทํางานให้กับลูประขันอยู่นางมระขันก็ยังยังเป็นผู้ดูแลรูกประขันอยู่รูกประขันเป็นเหมือนเป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนคนรับใช้แล้วนางประขันก็เป็นเจ้านายซึ่งมันส่งผลงานมาที่มันแสดงออกมาที่ลูประขันได้อมันเป็นตัวสั่งการที่กำลังพูดอยู่นี่ตัวนามอระขันเป็นตัวสั่ง สั่งให้พูดนามะขันมันไม่ทํามันเฉยๆมันก็พูดไม่ได้ก็หนั่งเฉยๆไปจา็นไหมเวลาคนตายนี่ก็ไม่มีไม่ไม่มีนามะขันนะมีแต่รูปะขันนอนแน่นิ่งอยู่น่ะเอาเข็มไปแทงมันมันก็ไม่สะดุ้งอันที่สะดุ้งก็คือนามะขันแต่นามะขันมันไม่อยู่นะ อาจารย์ังเข้าใจว่านามขันแปลงรูปประขันได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ไม่ได้แปลงไม่มีผลกระทบต่อการทํา ง, งานหรือการพัฒนาหรือการเสื่อมของของนามขันได้ของรูปประขันได้จิตสงบจิตไม่เครียดนี่อายุยืนยาวนา่ะน้องปู่ล้องตาโอ้โหร้อยปีขึ้นไปก็นีแต่จิตที่เครียดนี่เหนือยสุรา เอาของอยางพิษเข้าไปในร่างกายเนี่หกสิบห้าสิบก็ตายอะไรนะั่นหะมะนร็งกินบ้างอะไรนะั่นะะนะเข้าใจแล้วน ะ, อะโอเคเข้าใจค่ะขอบพระคุณค่ ะ, ะที่โกเบคุณจุ๊บเปนไงยังปฏิบัติเหมือนตอนที่มาอยู่ที่วัดหรือเปล่า มันลดน้อยถอยลงไปเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ต้องกลับไปวัดอีกนะต้องกลับไปชั้นแบบไปค่ะมันลดลงไปเยอะเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าตอนที่อยู่ที่วัดเนี่ยเราไม่ต้องมีอะไรให้คิดเราไม่ต้องคิดว่าต้องทําอะไรอีกหนึ่ชั่วโมงเราจะต้องทําอะไรต่ออะไรยงเงี้ยค่ะแต่พอกลับน่ะเรามีตารางว่าเราจะต้องทําอะไรต่อจะต้องหาอาหารจะต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันเลยทําให้มีใจผโล เวลาน้อยเวลาที่จะปฏิบัติน้อยลงอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะพระอาจารย์เหมือนอาจารย์รู้รู้ใจหนูเลยคะ่ะพระอาจารย์พาาระอาจารย์ทักมาว่าให้มีความเมตตากับเพื่อนที่ทํางานนะคะพระอาจารย์ซึ่งจริงแล้วัะหนูณนะตอนนั้นนะคะหนูมีความรู้สึกว่าเออเราจะทํำยังไงดีคือเพื่อนที่ทํางานที่ที่เขามักจะพยายามหาจุดบกพร่องของหนูตลอดทํำนิดนิดหน่อยๆอะไรนะั้นก็ ก็เอาไปฟ้องไปฟ้องหัวหน้าอะไรอย่างนี้นคะ่ะพระอาจ า, ยาราย์อย่างเราช่วยอย่างเราช่วยช่วยคนแก่คนเฒ่าที่เป็นลูกค้าอะไรอย่างนี้นเขาก็จะแบบมาตําหนิเราไม่ตําหนิโดยตรงนะคะเขาจะไปตําหนิก็คือไปบอกหัวหน้าคะ่ะว่าห้ามห้ามไปช่วยอะไรอย่างนี้นคะ่ะเพราะถ้าช่วยคนหนึ่งแล้วมันจะต้องช่วยทุกๆคนเลยอย่างนี้นคะ่ะพระอาจารย์ต้องให้เหมือนกับคนที่ปุ่นเขาจะมีความรู้สึกว่าให้มีความเชื่อมั่นในใน ผู้สูงอายุท่านนั้นว่าเขามีพลังกำลังในการที่จะช่วยเหลือตอนเองได้อะไรอย่างนี้ประนั้นนะคะแต่บางทีเรา <c oughs> เร า, เราไทยใช่ไหมคะอาจารย์เราเห็นมาแบบมาแบบตัวสันเดินตัวสันมาเลยอย่างเงี้ยมีอะไรเราก็ไปช่วยถือช่วยยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ซึ่งเพื่อนเพื่อนที่ทํางานเขาเห็นอย่างนั้นเขาก็แบบคนเนี้ยไปช่วยก็ต้องไปไปไปฟ้องหัวหน้าเลยนะคะแต่หัวหน้าเขาก็เข้าใจนะคะเขาก็เห็นว่าเออเป็นคน คนสูงอายุที่แบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็เขียนกฎออกมานะคะหลังจากนั้นนะคะว่าเขียนกฎออกมาเวลาคือก่อนทํางานมันจะมีประชุมเล็กอะคะ่ะที่ที่ญี่ปุ่นนะคะจะมีประชุมเล็กก่อนเข้างานว่าจะต้องมีอะไรอะไรยังไงปฏิบัติอะไรยังไงเนะะี่ยค่ะเขาก็จะไปเขียนเลยว่าให้มีให้พนัก ง, งานทุกคนมีความเชื่อมั่นว่าอลูกค้าของเราสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ถ้า คือไม่ไ ม, ไม่ไม่แสดงท่าทีไปช่วยก่อนก่อนที่ก่อนที่รู้สึกว่ามันจะช่วยเขาจะช่วยตัวเองไม่ได้แล้วละอะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์อืมอืแล้วก็ต้องการนั่นทุกคนพึ่งตัวเองพึ่งตนเองไม่อ่อนแอไม่ อ, อ, อม่ อ, อนแอค่ะแล้วคนญี่ปุ่นท่านเนี้ยคะ่ะพระอาจารย์คือหนูระยะหลังเนี่ยค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์บอกให้หนูมีความเมตตา ก, กับเขาใช่ไหมคะความเมตตาของหนูนี่คือเรายิ้มให้เราทักทายปกติแต่เราไม่ให้เขา คือเราไม่ไปสูงสิงกับเขาไม่ไปคุยเล่นกับเขาอย่างนั้นคือความไม่ตานับเป็นความเมตตาได้ไหมคะคือตอนนี้หนูมีมีอุเบกขาคือหนูไม่ได้อยากเป็นเพื่อนเขาอ่ะคะ่ะพระอาจารย์หนูมาทำงานได้ได้ถ้าเราอถ้าเราไม่ได้ไปอสดงอาการที่เป็นปฏิบักษ์ตลอดต่อกันเป็นเราก็ยังเป็นมิตอยู่คำ ว, ว่าเมตตาคือความเป็นเม็ตรอย่องไม่ได้มาคำว่าเราจะต้องไปกอดเขาไปอะไรกับเขาไป อันนั้นเป็นเรื่องของความรักพิเศษถ้าเราชอบใครอันนี้ก็ไปอย่างแต่สำหรับคนทั่วไปเราก็เราก็แสดงอาการว่าเราไม่ลังเกตยเขาเราไม่ลังเกตยเขาเรายินเราเจอแต่ในห้องล็อกเกอร์นะคะแล้วก็ให้ทักให้ตกใจกันอะไรสามเศรทุกข์สุขดิบกันอะไรอย่งนั่นแต่เราจะไม่ไปสงเซงเขาเพราะการกระทําของเขาน้นนี้สายว่าจะไม่ไม่เหมาะกับเราไม่ไม่เป็นไร เ, เขาคือเขาจะเป็นแบบเหมือนกับว่าถ้ายิ่งไปสนิท ด, ด้วยเนี่ยมันเหมือนเขาจะจะล้ะําเส้นนะคะพระอาจารย์เป็นค น, น, น, ค, นคนส่วนใหญ่พอเราไปสนิทกับเขาแล้วเขาก็จะเริ่มไม่เกรงใจเรานะใช่ค่ะเขาจะล้ําเส้นเราอืมงั้นคิดที่หนูทํามาก็ถือว่อาโอาเคอา่า คนที่จะอยู่ห่างๆไว้แต่เรก็ไม่ไม่ถึงกับเป็นเป็นศัตรูกันอะไรเป็นคู่อริ ก, กันเป็นเพื่อนแบบหัางๆค่ะคือมีอุเบกขาว่าเเราเราปล่อยวางแล้วเป็นเพื่อ น, นก็ได้ไม่ก็ได้ไม่คุยกันเราก็ได้แล้วก็ไม่คุยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยที่ญี่ปุ่นนะคะพระอาจารย์เข้าที่หนูทํางานมาแล้วรู้จักมาตลอดนะคะที่ญี่ปุ่นหนูสังเกตว่าเวลาคนเขาจะแกล้งกันนะคะพระอาจารย์เขาจะแกล้ง แก้งกันโดยแบบว่าทําให้คนคนนั้นน่ะรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าอยู่ตรงจุดนั้น mm. อะไรอย่างเงีย้ยค่ะหล่งถ้าสมมุติมีงานก็ไม่ให้งานม mm. ยียืมเงินก็ไม่ทักไม่ทายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบาง mm. ทีหนุกเอ๊เราบางทีเราเข้าไปในล็อกเกอร์เราก็แค่สวัสดีค่ะแค่นั้นแล้วก็เงียบไปเลยเปลี่ยนชุดแต่งกายชุดฟอร์มของเราไปอะไรยงเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ ในญี่ปุ่นมันเงียบก็จริงนะคะแต่ถ้าสมมตินในในที่ทํางานนะคะพระอาจารย์ถ้าถ้าเงียบเกินไปเขาจะมีความรู้สึกว่าเป็นการทําให้บรรยากาศไม่ดีมันจะต้องหาเรื่องพูดพูดกันนะคะพระอาจารย์ mm hmm. อย่างเรื่องบินฟ้าอากาศวันนี้วันนี้ mm hmm. น, นี่ฝนไม่ตกนะวันนี้ร้อนจังเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ถ้าสมมติอยู่กันในที่ในที่แบบส่วนตัวแล้วไม่คุยกันเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะถือว่าบรรยากาศไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องหาเรื่องคุย หาเรื่องให้มันให้มันไม่เงียบเลไอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ซึ่งบางทีหนูหนูรู้สึกว่าเอ๊ะเราควรจะทํายังไงดีเพราะว่าหนูทนได้ะคะ่ะไม่พูดเลยก็ก็ก็ทนได้อ่ะแต่คนญี่ปุ่นจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพระอาจารย์อืมก็ทําทําอยู่บางเดียวมันต้งเหลียวตาตามไปก็ต้องก็ต้องอันนี้อากาศดีจังเลยนะคะอ่ก็พูดไปหน่อยอืมตามตามตามทำมันเองก็โอเคครับจะได้ คลายความรู้สึกความตึงเครียดไปบางที่เชื้อเมันอาจจะทําให้คลายความตึงเครียดใชมาได้ค่ะเขาจะพยายามค่ะจะพยายาม่ะเพราะจ้ะอันนี้ก็เป็นการแสดงความเมตตาไม่งันก็คุยกันบ้างอะไรบ้างถามชาราทุกสุขหยุดกันบ้างค่ะแต่ต้องมีมีขอบเขตมีการละเทสากันแล้วนะท่จากขอบเขตมีการละเทสัว่าควรไม่ควรมากน้อยเท่าไหร่ยังไง ค่ะพระ อ, อจาจารย์เจ้าคะหนูหนูไม่เรื่องถามถา ม, ถามนะคะพระ อ, อาทิตย์ที่แล้วอะคะ่ะหนูลองนั่งทําสมาธิอะค่ะพระอาจารย์แล้วมันแปลกกับหนูคือพอทําสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยหนูรู้สึกว่าจิตใจหนูมันล่องลอยสติไม่อยู่กับเนืกับตัวเลยะคะ่ะพระอาจารย์ปกติหนูจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีสตินะคะอย่างท่านนึกถึงเรื่องที่ผ่านมาเนีมันจะนึกได้ทันทีเลยยาง ตอนเช้าวันนี้กินอะไรเมื่อวันที่ผ่านมาเรากินอะไรอย่างน้นึนกได้ทันทีแต่อาทิที่แล้วอ่ะหนูทำสมาธิพอออกจากสมาธิเสร็จปุ๊บอะ <S <S <น>่ะมันมีความรู้สึกซึมแล้วก็หลงหลงลื ม, ล, มลืมเรื่องรลอยๆอค่ะพระอาจารย์อันนี้นนเป็นเป็นเพราะไม่มีสติใช่มัค่ะหนูหนูก็เลยไปหา หาหาวิธีการแก้ไขในในอินเทอร์เน็ตอะคะะอาจารย์ก็เจอคุณดังตรินมังค์เขาบอกว่าเป็นเพราะว่าเราสมาธินี่เราไม่พยายามกําหนดสติให้อยู่กับเนื้อกับตัวค่ะซึ่งหนูก็แก้ได้แล้วค่ะพระอาจารย์วันนี้ตอนตอนสมาธิมันก็แก้ได้แล้วค่ะแล้วมีคําถามหนึ่งค่ะเวลาเราออกจากสมาธิอะคะพระอาจารย์เราควรจะค่อยๆออกค่อยๆลืมตา ใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็เอามาทําตามปกติธรรมดาไม่ไม่ต้องค่อยๆไม่ต้องเร็วไม่ต้องช้าไปตามตามสบายคือการออกสมัาออกศัสัมมาทินมีคือไม่มีผลต่อไม่มีให้มีสติประคับประคับประคองต่อไปอย่าปล่อยให้มันคิดให้ันควบคุมได้แค่มันมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ตอนนี้เรากําลังขยับขาขยับแข้งขยับแขนอะไรก็มีสติดูไป อย่าปล่อยให้ใจคิดไปถึงตู้เย็นคิดไปถึงขนมขอะไรต้องพยายามควบคุมใจต่อไปควบคุมกิเลสต่อไปพ ไ, ไม่ใช่เหมือนพอพอเลิกสมาธิก็เหมือนเปิดเปิดเปิดประตูเปิดเข้าให้มันให้กิเลสวิ่งออกมากันกลูกันออกมาให่ยังต้องข่มกิเลสต่อไปจ จ, จออต้องฝึกสติต่อไปหลังจาก เราไม่เราเราถึงแม้เราจะานั่งสมาธิแต่เราไม่เลิกเราไม่เลิกมีสติสติก็ยังต้องมีต่อการ น, นั่งสมาธิก็มีสติอยู่กับพุโทโธต้ออยู่กับลมพออยากสมาธิมาเราก็ยังต้องมีสติมีสมาธิต่อมีสติอยู่กับพุโทโธต้ออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อไปอืม จะช้าจะเร็วก็ได้จะไม่ําเงไปจะต้องค่อยๆยกแขนค่อยยกขาอะไรไม่ใช่กันก็ออกมาตามปกติเหมือนตอนที่เราตื่นนอนอะไรก็้นเราก็ลุกขึ้นมาตามปกติไปมีคําถามนึ่งค่ะพระอาจารย์พอดีเพื่อนคนญี่ปุ่นของนัะค่ะเมื่อก่อนเขาเคยไปเรียนที่ต่างที่เมืองนอกนะคะเขาพูดภาษาอังกฤษได้ค่ะพระอาจารย์ตอนนี้เขาสนใจการทําสมาธิค่ะไมดูแค่ช่างเขาก็เขาก็ถามหนูมาว่า การที่เราทำสมาธิแล้วมีสติตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ทําให้เกิดความเครียดหรออะไรเงี้ยเพราะเรามีจิตใจจดจ่อยอยู่กับสติเกี่ยวกับการกระทําของเราตลอดเวลาอย่างนั้นร่างกายเรามันจะไม่เครียดหรออะไรงี้ค่ะเขาถามมาอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับร่างกายมันเกี่ย ว, ก, ยวกับใจซึ่ง <ใจ S 1> อาจจะเครียดก็ได้ถ้าถ้าเราไม่เคยมีสติฝึกสติพอเรามาคุมมันมันก็จะเครียดขึ้นมาพโทษกิเลสมันจะต่อต้านเนี่ย ใจมันจะต่อต้านใจมันเคยอยู่แบบอิสระจะคิดอะไรจะทำอะไรก็ปล่อยไปเรื่อยเปทีนี้พอเราฝึกสติให้มันอยู่กับพุโทโธพุโทโธมันมันมันก็จะสู้กันละมันก็จะเครียดขึ้นมาได้ค่ะห น, หนูหนูแนะนำเฟ e บุ๊ k ของพระอาจารย์พาะภาษาอังกฤษไปให้เขาเรียบร้อยแล้วค่ะให้เขาเขาไปติดตามดูไปศึกษาไปเรื่อยๆค่ะขอบพระคุณนะคะด้วจ้ ไปแล้วเออเอต่อวันนีิคะกี่ยวกับนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์วันนี้ลูกไม่มีคําถามค่ะมาร่วมรับฟังค่ะพระอาจารย์โอเคงั้นก็ไปต่อเลยนะเดี๋ยวค่ะสค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ธาตุแข็งแรงนะคะอ่าสาวทุกท่านคุณหมอหมอภาสนาสอนไว้เลยนะเวลาโน้ท่านก่อนนมัสการกับพระอาจารย์ค่ะอืม ก็ยังรู้สึกก็ยังรักษาความสงบได้นะคะพระอาจารย์รู้สึกว่ามันมันดีมันเรียกว่ามันมันดีขึ้นเรื่อยเื่มันมันไม่เหนื่อยมันไม่เครียดแล้วค่ะมันรู้สึกว่ามันมันมันมันรักษาได้แล้วก็อาทิตย์ที่แล้วก็ได้ลองนั่งสมาธิก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ว่านั่งท่าไหนมันก็มันก็เหมือนมันคือมันเหมือนกันนะพระอาจารย์ก็นั่งได้อหรพระอาจารย์ก็เลยลองนั่งแบบว่าตอนเช้าธรรมดาตอนกลางคืนนั่งสมาธิเพดนะะพระอาจารย์ ก็อืมไม่ก็ไม่ไม่เม่ได้มีเวทนาอะไรค่ะอาจารย์ถึงมีก็มันก็เหมือนติดการรมไฟแต่ไม่ไม่ไม่ไม่มีปัญหากี่วับเวทนาอาจารย์นั่งได้ได้ลองไม่มีปัญหาเพราะไม่มีเวทนาเกิดขึ้นหรือเปล่าอืมก็ไม่มันไม่มีค่ะแต่ว่าถ้าถึงบางทีถ้าเกิดสมมติเดินวันไหนที่เดินเยอะๆแล้วมีมันก็ก็ไม่ได้ไปสนใจเลยเขาเพราะว่าไม่ได้อาจารย์เพราะเดี๋ยวีแล้วก็หายไปเองแต่ข้นสมาธิเพชรนี่ไม่มีเวทนาเพราะว่ามันเข้าได้เร็วค่ะอาจารย์ ว่ก็อย่าเพิ่มอย่าเพิ่มเลิกถึงนั่งไปจนกว่ามันจะเจ็บกว่าน้นะค่ะได้ค่ะพระอาจารย์ค่อยๆกนั่งถ้าถ้านั่งแล้วออกจากสมาธิมาก็นั่งต่อไปอย่าเพิ่มเยอะอย่าเพิ่มเลือกหนึ่งพราะอยู่ในสมาธิมันไม่รู้สึกเจ็บหรอกแต่เวลามันไม่ได้อยู่สมาธินั่งแบบไม่ได้เข้าสมาธิอย่างนี้ก็กำลังเข้าแล้วออกมาแล้วก็อย่าเพิ่งเลิกก็นั่งต่อไปอยู่ เดี๋ยวมัเจอความเจ็บจนได้คนะ่ะได้เดี๋ยวจะลอ ง, งมแต่เคยเจอแล้วก็ปั๊บผ่านได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวก็จะลองทําดูนะอาจารย์อืมนาแล้วก็แล้วก็อืมไม่ไม่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรก็พยายามทำเร่งเร่งทําความเพียรไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ก็ยังรับสัมุดได้เดีย๋ยวจะลองไปทําที่พอาจารย์บอกเนะี่ยค่ะเพราะว่าเคยผ่านความเจ็บได้ก็รู้สึกว่าแบบจริงๆมันก็คือเหมือนกับไม่กลัวแต่ว่าจะลองไปนั่งสมาธิา ท, ทัดสมาธิเทดูเพราะว่ามันจะเจ็บกว่าปกติใช่ไ้มคะอาจารย์ แล้วมีอะไรแนะนํำมีไหมคะพระอาจารย์ก็ไม่มีเราทําไปอลยค่ะเมื่อกี้กาลังจะถามว่าอ๋อแล้วก็การที่พอเรานั่งทําไปแล้วเนี่ยเราค่อยๆเราก็ค่อยๆปล่อยเราดูว่าเราก็ค่อยๆดูว่าจริงๆในเวลาประจําวันเนี่ยคือมันรักษาความสงบได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเออมันค่อยๆปล่อยไปปล่อยไปเพามันไม่มีอะไรมัน มันพอมันรู้สึกว่ามันมันเป็นสมมติเป็นอะไรมันก็มันก็เลยความอยากมันไม่มีก็คือเราเวลาเราดูว่าเรานั่งสมาธิแล้วผลที่มันได้มันก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คือว่าเรารักษายความสงบได้เวลามีอะไรเกิดขึ้นเราก็สินเสียได้คือมันเหมือนกับปันทันก่อนนะมันไม่ได้เกิดสักการ์ว่าเห็นสักการ์ว่าได้ยินไปสักกาว่ารู้ไปมันเลยมันก็เลยมันมันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรมางสนเพราะว่ามันมันไม่ได้มันเรียกมันไม่เกิดขึ้นคือมันมันรู้ทันก็เลยไม่เกิด ไม่ครอาจารย์มีระบาดโตมข้างบ้านก็เฉยไปก็รูกไปเฉยไปครับพระอาจารย์ไม่ต้องเดินตลอกโกราหนไม่อยากพระตายนะดูว่าตายหรือยังถ้าไม่ตายก็อยู่ต่อไปอยู่ต่อใช่ไรมอาจารย์ทำไมว่าเปิดว่ายังไงก็ทำเรื่องกระ่อาจารย์ทำเป็นตายถ้าตายยังไม่พ้นก็ทำต่อเกิดมาทำต่อ ต้องไม่ถึงตนกตกใจกับเหตุการณ์ต่างๆอันนี้อันนี้ดีมากเลยค่ะพระอาจารย์พยาะะยามดูเลยว่าถ้ามีอะไรไม่ไม่ตกใจสมัยก่อนที่พระอาจารย์สมยก่อนใช่มากเดี๋ยนนี้แบบเออไม่ตลกอย่างมากก็ตายค่ะพระอาจารย์ทำต่อพระอาจารย์โอเคค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณในที่คุณสันนิกรธรรมแบงค์ขออ้อ <c oughs> กรรมนรมาสการค่ะคุณอาจารย์วันนี้เข้ามาร่วมฟังธรรมค่ะไม่มีคําถามค่ะโอเคงั้นปดีแม่น้องเด็นนเดนนนเด่านเนาะอรยาออพระอาจารย์เจ้าคะได้ยินหนูไหมเจา้าคะพอดีดกำลังกำกำลังขึ้นรถกลับบ้านพอดีเจา้าคะพระอาจารย์ก็เลยมืดๆเจา้าค่ะค่ะก็ช่วงนี้ก็ปฏิบัติเจ้าคะพระอาจารย์แล้วก็เดี๋ยววันหยุดที่ยี่สิบแปดแล้วเจ้าค่ะหนูก็จะลอง ปฏิบัติแบบว่าลองทานข้าวมื้อเช้ามื้อเดียวแล้วก็ลองเข้าสมาธิว่าจะได้กี่ชั่วโมงนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เนี่วันวันหยุดเจ้าค่ะก็เจ้าค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ค่ะพระอาจารย์ก็คือตัวหนูเองก็ผ่าตัดตั้งแต่ขายันสมองใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็ของแถมก็คือมีอุปกรณ์คือมีอุปกรณ์ในสมองอะเจ้าค่ะ ก็คือเครื่องระบายน้ําก็คือถ้ามองตัวเองก็เหมือนตัวประหลาดนะหลเจ้าค่ะอาจารย์อาจารย์เพียงแต่ว่ามันมีผมอะไรอย่างเงี้ยปิดไว้เฉยๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยก็เลยไม่แต่มันแต่พอมาถามว่ามันก็ไม่ได้ปวดอะไรเลยนะเจ้าค่ะก็เมื่อวานก่อนหนูก็ดีใจที่ว่าได้ขึ้นไปพีเซน์พูดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเขาก็เลยคนฟังก็ดีใจอ่ะค่ะว่า กลบมาเหมือนคนปกติอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่จริงๆแล้วหนูก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เคยปฏิบัติมาเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือมันมันเหมือนแบบได้เอามาใช้ตอนที่เจ็บป่วยนี่แหละเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่ที่ปฏิบัติมาตลอดนะค่ะพระอาจารย์มีกำลังใ จ, ใ, จใช่เจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยมองว่าเหมือน หนูชอบจะก่อนใช่ไหมเจ้าคะชอบเอาพวงมาลัยไปถวาย ต, ต้นไม้เจ้าข้าพจาจย์เห็นคิดว่ามีเทวดาในต้นไม้อย่างเงี้ยเจ้าข้าพจาจ้าแล้วตอนนี้เราก็คิดว่าร่างกายมันก็เหมือนต้นไม้เจ้าข้าพจาจย์ใจเราเนี่ยแหละที่สําคัญอย่างเงี้ยก็เหมือนมาม า, มาชมตัวเองอะเจ้าข้าพจาจย์ให้กําลังใจตัวเองอย่างเงี้ยเจ้าข้าพเจา้าค่ะเราก็เราก็อย่าไปเจอกับความเป็นความตุลคเป็นควบมตายของร่างกาย ดูแลมันไปเท่าเท่าที่เราจะเป็นเวลาได้เจ้าคะพระอาจารย์หนูก็เลยบอกว่าโอ้หนูเกิดเป็นพยาเกิดมาเป็นพยาบาลดีมากเลยนะเจ้าค่ะคือรู้ตั้งแต่ทําตั้งเอ่อรู้ตั้งแต่การทําคลอดอ่าเห็นการเกิดใช่ไหมเจ้าคะแล้วมันเป็นมารดาด้วยตัวเองเป็นเองด้วยอะไรเงี้ยเจ้าค่ะอืแล้วก็อูเอาทุกทุกอย่างเลยเจ้าค่ะอ้ไม่ต้องไปเรียนเฉพาะทางเลยเจ้าคะพระอาจารย์ ก็คือเป็นทุกโรคแล้วก็จะได้ดูอาการความทุกข์อ๋อมันเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยเจ้าขาพระอาจารย์ก็ได้ดูทั้งแบบอนาตอมี่อะไรเงี้ยเจ้าขาพระอาจารย์ดูศพอะไรเงี้ยแล้วก็ลองมาแพ็คศพรูทบาลอะไรเงี้ยเจ้าขาพระอาจารย์สุดท้ายสุดท้ายก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได้สักกอย่างเลยเจ้าค่ะก็มีก็มีเหลือแค่จิตของเราแค่นั้นนะเจ้าขาจารย์ปัจจุบันนี้ เอาแต่ธรรมะไปแนละ้วเอากิเลสไปนะได้ามีสองอย่างเจ้าคะพระอาจารย์หนูก็เลยมองดูว่าโอ้ตอนนี้ปัจจุบันนี้หนูก็ไม่ได้สนใจภายนอกค่ะเพราะว่าหนูมองเห็นว่าทุกคนก็เหมือนอากาศเงนี้ยเจ้าค่ะก็เลยดูแต่ตัวหนูเองเย่างี้เจ้าค่ะก็เหมือนลบแต่กิเลสตัวเองก็ตอนแรกช่วงแรกๆอะค่ะพระอาจารย์เหมือนเอากิเลสเข้ากกงหนูว่าหนูเลี้ยงสัตว์หนูก็เลี้ยงจิตหนูก็พอๆกับสัตว์เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เอาเข้ากกงคือมัน ถือไม้เลี้วตีจิตตัวเอง嘛เจ้าค่ะอะไรเนี่ยก็แบบเหมือนประมาณว่าเฮ้ยอะไรทําไมอยากอีกลาทําไมจะเอาอีกลาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ทําทตัวแบบมันต้องทําตัวแบบคนไม่มีอะไรต่ำๆอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ประมาณว่าถ้าเราใส่รองเท้าขาดเนี่ยซื้อกถูกอย่างเงี้ยเราทุกไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าเราไม่มีตังเนี่ยเราจะทุกไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะก็คือ ของที่เราไปเอาใช้ของมือสองหรือขอถวดขอยาอย่างเงี้ยมาใส่เนี่ยเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยเราทุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราติดเสื้อผ้าไหมอะไรเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์คือทําตัวให้แบบต่ำ ต, ำ, ตำอะไรเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ไม่กล้าใส่เยองน้อยาน้อยสันโดษเยอะสุดส เจ้าค่ะพระอาจารย์แต่หนูก็ไม่กล้าที่จะใส่ชุดพยาบาลไปนั่งเป็นพออาจารเจ้าค่ะโดกรวโดนว่ามากเลยค่ะอาจารย์าจต้องรู้จักกาลเทศะเลยไม่อยาจะทําอะไรตามอำนภอใจเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ก็ก็แต่งเสื้อผ้าตามที่เขาตั้งกฎกติวัตดกติกาไว้เจ้าค่ะแต่พอเป็นคนธรรมดาทั่วไปก็ใส่ชุดบ้านๆนี่แหละเจ้าค่ะพระอาจารย์อ่าโอเคมีอะไรไหม ไม่มีแล้วเจ้าขาพระอาจารย์อเคนะทำใจในะสบายนะทำใจอย่าไปทุกข์กับอะไรกันแล้วกันนะขอสาธุเจ้าคอ่าไปได้วยคนที่ตีมาย้อนเมืองอยแค่บรรดาใจําได้แนละ้วนวัสการค่ะพระอาจารย์อ่าวันนี้หนูไม่มีคําถามค่ะแต่ว่าเดี๋ยววันศุกร์หนูไปใส่บัดพระอาจารย์ค่ะที่บ้านอาเภอ อ, อ, อ่ไปไที่เท็กซคุณสวัตรีเบลลัสเท็กซ ครับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกยังอยู่ที่ไวโอมิงเจ้าค่ะยังไม่ได้ไปเท็กซัสอยู่ใกล้เมืองใหญ่เมืองอะไรนะเอ่อชัยแอนเจ้าค่ะเมืองหลวงใช่ใช่ใช่แลนะคะเมื่อครั้งที่แล้วพระอาจารย์ถามว่าไอเดโฮอยู่ทางเหนือของเอ่อไวโอมิงพอไปดูเอออยู่ทางตะวันตกยื่งไปตะวันตกเจ้าค่ะแล้วก็ เจ้าค่ะถ้าเหนือก็มอนทานาแล้วก็เซาท์ดาโคตานอตดาโคตาแล้วถ้าตะวันออกก็เนบราสกาเจ้าค่ะลงมาหน่อยก็แคนซัสของคุณยินดีนินดาของพ่อเกาบ่อยแท้ๆเลยเจ้าค่ะเดี๋ยววันเสาร์นี้ลูกก็กลับเท็กซัสเจ้าค่ะก็ค่ะก็ยังวันนี้อยู่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ของลูกอยู่เจ้าค่ะของดูแลคุณพ่อคุณแม่เจ้าค่ะสามี <ด>อ่เดี๋ยววันเสา ร, ร์กับทงัานความอ ต, ตันอยู่กับดัทีเป็นคุณสมบัติของคนดีอ่าขอทุตกับขอบพระคุณเจ้าค่ะก็ทำตามหน้าที่เกิดมาเราก็แบ่งแบ่งหน้าที่ให้ให้ให้สง่งให้กับที่เกิดมาเจ<ะ>้<ข>าค่ะส่วนา<ะ>การปฏิบัติตัวปฏิบัติเรามีได้รับจากพ่อแม่มาถึงเวลาเราก็ต้องคืนให้พ่อแม่เราเจ้าค่ะ เจ้าค่ะลูกตั้งกฎไว้ว่าว่าเออ่ปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติธรรมเป็นหลักดูแลผู้มีพระคุณแล้วก็ที่เหลือก็ส่วนเพื่อนๆก็ไม่ไม่ไม่ให้ความสําคัญเท่าไหร่เจ้าค่ะพอทําหน้าที่ของของของลูกส่วนลูกส่วนที่เหลือก็ไม่ไม่ไม่ค่อยให้ความสําคัญแล้วเจ้าค่ะเรื่องการงานเรื่องสังคมเรื่องอะไรก็คงมันไม่ใช่หน้าที่มันไม่มันไม่มันไม่จำเป็นไม่สําคัญ เจ้าค่ะเ ร, เรียง ต, ตามลำดับถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ไม่ต้องสังคมกับใครแนละ้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะน้อมนำคำสอนอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ ะ, ะ, ะไปที่ไอเดโฮต่ออยู่ิดกันแล้ววันนี้ไอเดโฮกับวโอมีค่ะอาจารย์พูดได้เลยคุณท่ปอัน น้อมนำปฏิบัติเจ้าค่ะยังต้องเพียนต่อไปเจ้าค่ะโอเคอย่ากขี้เกียจ น, นะอือทำปัญญาพุทธโธพุทธโธนั่งสมาธิเดินโยกบกได้เรล่าปฏิบัติหรือยังอ่ะนะถ้าไม่เล่ามันก็ไม่ไปนะมันนวดแต่ถ้าให้สตาร์มันก็ไม่วิ่งนะอะเจ้าค่ะอืมลอเริ่มต้นทําได้มากได้น้อยไม่เป็นไรควายนะควายได้ทำกันแล้วกัน าาเดี๋ยวมันก็ขยับเองระหว่าระยะทางระยะทางหนึ่งพันไมล์ก็ต้องเริ่มต้นที่ทการกา้กาวแรกถ้าไม่เดินก้าวแรกมันก็ไปไม่ได้หนึ่งพันไมล์สาธุจ้าค่ะโอเคนะไม่มีอะไรใช่ไหมก็เหมือนคล้ายๆเดิมๆจ้าค่ะถ้ามีมันก็กลับมาที่ตนเองนะคะ เหมือนอยากได้ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ถ้าเพียนมากเกินไปก็เหน็ดเหนื่อยเหมือ น, นมีปัญญามากสมาธิไม่แข็งแรงมันเหมือนมันมันมีคำตอบอะค่ะเจ้าข่ายโยมก็เลยนั่งฟังนิ่งๆแล้วก็ฟังธรรมะของพระอาจารย์ไปก็เดินจงกรมแล้วก็ทำสมาธิแต่ว่าสมาธิก็ ยังไม่ดียังแย่อ่ะค่ะแต่ก็ก็ไม่ได้หยุดนะคะมากน้อยอะไรก็ทําค่ะอ็ฝึกสติไปเรืยทั้งวันทําอะไรก<ะ>็ให้มีสติอยู่งานที่เรากําลังทําอยู่เจ้าค่ะโอเคนะอขอบคุณเจ้าค่ะอกามาชีเชียงรายคุณเองการมรดกการพยาธิครับอ<ก>มีอะไรไห ม, มก็ วันพระที่ผ่านมาก็ได้ฏปบัติในสันติก ค, ครพระอาจารย์อื mm hmm. ก็นั่งอริยาบทนั่งตั้งแต่เจ็ดโมงสี่สิบห้าแล้วก็อยู่เวทนามัจะถึงเที่ยงคืนครับพระอาจารย์อ mm hmm. ก็เห็นเวทนามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นประดับนี้ครับพระอาจารย์อ mm hmm. ก็อยู่จนถึงเที่ยงึืนก็ออกมาเปลี่ยนอริยาบทนะครับอาจารย์อ mm hmm. ก็ มารายงานการปฏิบัติที่พระอาจารย์ครับใช่อยู่กับวทยาได้ไหมครับประมาณนี้ครับอยู่ได้ครับพระอาจารย์แต่ว่าก็ยังไม่ที่แบบอยู่ได้ร้อเอร์เซ็นะครับพระอาจารย์ก็ยังมีสู้กันอยู่ฮะช่วงชั่วโมงหลังๆสติคงจะอ่อนไปหรือเปล่าครับพระอาจารย์อืช่วงดูก็ประมาณสิบเอดโงถึงเที่ยงคืนนี่ก็จะรู้สึกว่ามันจะมันจะเข้ามาในใจมันยากคอืม อยากจะออกแต่ว่าวก็ฝืนมันครับอาจารย์อฝืนมันเอากันเอาดูที่มันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับก็ฝืนกันนะครับเอาสติสู้มันพุโทโธพุทโธสู้มัน <c oughs> เอาสติสู้แล้วก็ก็ออกมาทางปัญญาบ้างอย่างเงี้ยครับอาจารย์พอแต่ก็ก็ดูไปก็มันก็ดับมันก็บางทีก็บอกว่าให้อยู่นานๆอยู่นาน มันก็ไม่นานมันก็หายอย่างนี้มั น, ม, ม, นมันเกิดดับเกิด ด, ดัดไม่ไดอาจารได้ใช่รเราไปเราไปสั่งมันไม่ได้ครับผมก็เปิดไปเรื่อยให้มันชินกับความเจ็บจะ ไ, ได้เวลาเก็บไข้เร่าป่วยมันจะได้ไม่เดือดร้อนจะ ไ, ได้อยู่บ้านได้ครับผมครับก็ก็เหมือนสัปดาห์ก่อนไม่ได้ข้าวเพปรีปวดปวดที่ไหลอะครับอาจารย์อืม เขาไม่ได้แต่ว่าตอนนั่งสมาธิเราอยู่กับผู้โทนี้มันมันก็หายเลยครับพระอาจารย์อืมนั่งสมาธิอยู่ผู้โทไปชั่วโมงงชั่วโมงกว่าเนี้ก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าออกมาก็มันก็ปวดมันก็ปวดมามันก็เฉยเฉยไปทำมมันไม่ได้ก็ปล่อยมันปวดไปแต่พอนี้มันปวดมันตึงเส้นเส้นมันตึงที่หัวปวดที่หัวเลยครับพระอาจารย์ ก็ทนทนไม่ทันยาบ้างรักษารักษาได้ <S 2> 2 <S สองวันสองวันสมวันไม่ทนทนไม่เออมันไม่ไหวก็เลยต้องต้องทานยาบ้างครับอาจารย์ก็กรักษาไปไม่เป็นไรครับแล้วแต่ว่าเออก็ก็ใช้ธรรมะโอสถอยู่ทำได้วัสวนสองวันแต่ว่ามันปวดจริงจริมันมันเหมือนหัวจะระเบิดเลยครับอาจารย์เส้นเส้นแบบมันยึดมากครับอาจารย์อือไปหาหมอ ก็ทานยาก็เป็นยาคลายกล้ามเนื้อก็ทานไปก็มันแบบไม่ดีกับเคาะอาหารเนี่ยก็แสบท้องแสบอะไรก็ก็หยุดนะครับอาจารย์อืมหยุดไปให้เอให้เขาจับเส้นจับอะไรแล้วก็ก็ดูดีขึ้นมาครับอาจารย์ก็นั่งได้ครับทรานก็วันนี้เข้ามารายงานพระอาจารย์แล้วก็มาร่วมรับฟังนะครับก็ขอให้วระอาจารย์ท่าแข็งแรงนะครับกับผมคุณอาจารย์ ถ้าจางมีจะให้เพิ่มเติมอะไรไหมครับก็ <S <S นี่แหละก็พยายามฝึกอยู่กับมันไปปล่อยวางสักรารูอระดมถ้าใ น, ในช่วงที่เราฝึกนะเ น, นช่วงช่วงเช่วงที่เราไม่ได้ฝึกเราจะรักษามันก็รักษาไปจะต้องกินยากินไปแต่ช่วงที่เราฝึกฝึกธรรมะอุศนั่นก็ใช่นะธรรมะอุศนย่างเดียว ก็น้องนำไปปฏิบัติกับพระอาจารย์แล้วก็เพอดีผมอยากได้นังสืัยติดต่อคนล้าด้วยนครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับคนร้ายส่งวิธีการติดต่อให้ทางแชทครับผมครับผมแตบพอพูดพระอาจารย์ครับผมขอให้ท่านพระอาจารย์แข็งแรงครับผมอ่าสาธุสาธุครับไปที่คนแดนสุพาดา การนมัสการคพระอาจารย์เสียงพระอาจารย์ดังฟังชัดนะเจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคําถา ม, ถามะคะ่ะโอเคสาธุสาธุครับว <laughs> <ธ> <laughs> ันนี้คุณสุภัทนาบวร์วินชนเบลีการนมันส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะเข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็มารองฟังธําสเจ้าค่ไม่มีคําถามเจ้าฟังโอเควันนี้คุณโอคุณโอนี่เพิ่งเข้ามาใหม่นะเคยเข้ามาหรือเปล่า ไม่ได้ยินเสียงต้องปิดใบก่อนพี่น้อปิดเปิดเปิดไมค์ครับเดี๋ยวได้เลยครัสวัสดีค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ไหนพี่นองได้ยินเสียงไหมเจ้าค่ะได้ยินจ้าอยู่ภูเก็ตเจ้าค่ะอืมเคยเข้ามาปะไม่เคยนะเคยเข้ามาเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่าอันนั่งจะไม่สือคิวเจ้าค่ะอ่ามีอะไรไม่เคยนี้วันนี้ตั้งใจเข้ามากราบพระอาจารย์เจ้าค่ะ ไม่มีคำถามเลยนะมีนะค่ะอาจารย์หต่ว่าส่วนใหญ่จะส่งไปทาง y ยูทูบอะไรอย่างเี้ยเจ้าค่ะเพราะว่าปกติจะติดตามแล้วฟังรัอาจารย์ทาง y o u ูทูบเจ้าค่ะไม่อยากจะถามเองนะตอนนี้เข้ามาถึงนี้แล้วอาจารย์เจ้าค่ะคืออ่าถามก็ได้เจ้าค่ะถ้ากําลังสติมีน้อยก็คือว่าฝึกไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าค่ะใช่พยายามฝึกให้มากๆสติฝึกได้ทั้งวันทั้งคืนนอกจากเวลาหลับทีนี้ พยายามเท่าที่ก่อนเจ้าค่ะพยายามฝึกสติให้มากๆแล้วก็นั่งเท่าที่เราจะนั่งได้นั่งได้มากได้น้อยก็นั่งไปมันขึ้นอยู่กับกาลังของสติของเราถ้าสติเรามีกําลังมากเราก็จะนั่งได้มากขึ้นต่อไปเจ้าค่ะอากาศแฟลชคุเจ้าค่ะโอเคที่คุณปุ้ยเขาแยกออกไปแล้วฟังข้างนอกต่อนะเจ้าค่ะทาจารณ์แล้วแต่ตามสบายตามสบายคุณปู้ยรักสมบูรณ กรนะมาสการเจ้าค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมคุ้ายไปสองสัปดาห์ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโยมเอ่อลืมโยมยมลืมสนิทเลยว่าเป็นวันพุธโยมขอเข้ามาแล้วสัปดาห์ก่อนโยมยุ่งยุ่งค่ะโยมก็ไม่มีอะไรค่ะปฏิบัติทุกวันคือศีลแปดเอ่อไม่กินข้าวเย็นแต่ว่า ตามที่โยมบอกว่าเวลายมออกไปทาธุระนอกบ้านโยมต้องขอขมาเราก็ต้องเออแหงหน้าหน่อยแต่ว่าเราไม่ได้ไปเพื่อความสวยงามแต่ว่าเราต้องไปทําธุระจริงๆนะคะนะโยมก็ <Okay. S 1> ไม่มีอะไรค่ะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเช้าเย็นปฏิบัติตาม <Okay. S 1> พระอาจารย์สอนค่ะโยมพยายามแบบว่าช่วงนี้ถ้า เออยมจะมาส่งรายงานพระอาจารย์ว่ายมไม่ได้ทําผิดศีลอะไรเลยก็ดีก็ดีนอกเสียจากว่าเออเราเดินออกไปนะนอกบ้านนะเราก็ต้องมีเออนิดๆหน่อยๆ อ, อย่างเงี้ยเพราะเราไม่อยากให้แบบว่าเราเสียภาพพจน์เพราะว่าคนเราอ่ะยังเรายังอยู่ในโลกสังคมนะคะต้องขอขอมาะคะ่ะก็ตามใจแล้วแต่เรา่ า, าจะสวยทั้งโลกก็วสวยทางธรรมก็เรื่องเรา ไม่เราต้องไม่เราต้องไม่ทำธุระนะฮะอาจารย์ก็ไม่เป็นไรทำธุระก็ก็เห็นจะเป็นจะต้องทาปากทาหน้าทาอะไรมีเข้ามีผมันเรียบร้อยก็พอทำไมผู้ชายไม่เห็นต้องทาเป็นผู้ชายเห็นต้องทาหน้าทาปากทาอะไรแล้วก็ไปของเขาได้ดุมทำแต่ผู้ชายสิแล้วก็อืผู้ชายน้ก็ผู้ชายก็ยองแต่งหน้าอะ เรายังเจ็บมันอยู่กิเลสมันยังเรี่ยเรางมันยังกิเลของเรามันยังแรงอยู่ะ้องข้ามันตอนนี้เูสิ้องข้ามันยังไม่ตายหรอก้องข้ามลองดูในสล้นลองดูออกไปอย่างเงี้ยดูเสียขายเขาจะว่าอะไรแต่ก็วิผมมันเรียบร้อยอะไรนี้ทาได้อยู่ให้แต่งกายให้มันเรียบร้อยแต่ไม่ต้องไม่ต้องทาคิ้วทาปากทาแป้งอะไรหรอก ลองท้ดูสิเดี๋ยวจะลองอค่ะลองทดลอง อ, อาจารย์คะโยมมีเรื่องจะถามเรื่องหนึ่งคือคือว่าโยมก็ไม่รู้ว่าโยมไปโดนอะไรมาคือมันมีอยู่เมื่อก่อนก่อนวันพระเนี่ยนะฮะวันโกนเนี่ยฮะโยมก่อนก่อนวันโกนหนึ่งวันโยมนอนนอนอยู่แล้วแบบเวลาลุกขึ้นแล้วมันรู้สึกแบบจะลุกไม่ได้ แล้วพอรู้สึกลุกขึ้นมาแล้วมันรู้สึกไม่ดีไม่ใช่ว่าเราป่วยนะฮะอาจารย์คือคือยมเป็นอย่างเนี้ยมารู้สึกว่าหลายครั้งแล้วแล้วทีนี้คือถามหมอหมอก็แค่ไม่ว่าเราเป็นอะไรแต่ทีนี้มันจะเกี่ยวกับว่าเราไปถูกอะไรลมเพลลมพัดมันเกี่ยวล้วมั น, นมันเป็นมิบากรรมของเร า, าแล้วกันคิดอย่างนั้นไปมา ถ้ามันหายก็กถือว่ามันเป็นอานิจังไปเป็นแล้วหายก็ผ่านไปก็ผ่านไปไม่ต้องไปกังวลกับมันจบโยมก็แผ่บุญค่ะไม่ต้องแผ่หรอต้องแผ่แล้วไม่มีใครมาทำอะไรเราแล้ ว, ลวมันเป็นธรรมชาติของร่างกายบางทีมันบางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไม่ดีแล้วบางทีมันเป็นที่จิตใจของเราดังนั้นเองมันไม่ได้เกี่ยวข้องหรอก เมื่อวานก็ไปตรวจตามาเมื่อวันก่อนก็โยมก็ไปเลเซอร์ตามาก็โอเคทุกสิ่งทุกอย่างก็สมบูรณ์แล้วฮก็สมมูรณ์ไปเดี๋ยวมันถึงเวลาเป็นแล้วก็มันก็ต้องเป็นไฟธรรมเรื่องของมันใช่แต่โยมก็มไม่กลัวนนะพระอาจารย์เพราะว่ามันคือคือเรารู้เลยว่าความเป็นกับความตายเนี่ยมันเป็นเส้นเพียงกางๆอย่างนี้นะคะัเ<อ>นเป็นตายรักมันเป็นตายรักใช่ค่ะ ตอนตอนโยมไปเลเซอร์ตามอกว่าเขาจี้ไปอ่ะนะพอเขาจี้ไปเนี่ยเราจะรู้สึกจากตาเนี่ยไปถึงหวัวใจแล้วแบบคือมันเป็นเสี้ยววินาทีหนึ่งที่เมื่อวานนี้ยโยมเกือบจะหลุดน่ะคือคือมันเหมือนกับหวัวใจมันจะหยุดเต้นน่ะหรือคือคือโยมจะทนไม่ไหวมันปวดปวดมากมากเลยไงโยมจะทนไม่ไหวโยมก็เออโยมก็บอกหมอหมอก็บอกว่าหคุณเนี่ยเป็นอะไรที่ยากที่สุดเลยคุณเนี่ย โห้ขยื่อนมากเลยอะไรอย่างเงี้ยและเขาก็ต้องทําแบบหลายหนจากเดือนที่แล้วก็มาทําเดือนนี้อีกไงแล้วนี้เขาก็กลัวหมอเขาก็กลัวนะเพราะเขาจะทําผิดพลาดเออเราก็กลัวเหมือนกันเออแต่แต่เราก็เ อ, อรู้สึกได้เลยว่าเออมันเป็นเพียงเส้นบางๆเนาะความเป็นกับความตายเนี่ยเรารู้เลยออืโอเคนะมีอะไรไหมคะไม่มีคะ่ะข อ, อจะมาเออ ขอให้พระอาจารย์มีธาตุฉันสมบูรณ์แข็งแรงนะเจ้าคะอ่าขอให้คุณปุ้ยให้ำนำะให้รวยนะใข้าจินออกหวยนะหวให้ายิจดีออกนะน่าพราอะอาจารย์โอเคไะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะน่าดูไปที่คุณยินดีต่อคุณยินดีคันซสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ก็ลูไ ม, ม่มีคําถามค่ะเดวิดกราบ สวัสดีแล้วก็บอนสองเตให้ท่านอาจารย์นะค ะ, ะ่ขอบคุณด้วยนะขอบคุณท่านอาจารย์มีญสูงค่ะโอเคไายด้ศรีราชาคุณเล่คุณเ ล, ล่เชิญกลับมาพิธีการท่านอาจารย์ด้วยค่ะลูกสองอาทิตย์แล้วนะคะพยายามเข้ามันเข้าไม่ได้วันนี้สองทุ่มก็เลยเจาะเข้ามันเลยเพราะอะย่างนี้คนเขาต้องเลียร์เข้ามาก่อนเลยไม่งั้นเข้าไม่ได้นะ พอมันเต็มบอสพอเต็งพี่กายเขาก็หยุดเขาก็ไม่รับเข้ามานะเจ้าค่ะก็ลูกอยากเข้ามาน้อมกราบพิการแค่นั้นเจ้าค่ะโอเคไม่มีคำถามอะไรนะการปฏิบัติงานโอเคดีใจนะเจ้ช่วงนี้มันพอดีมีเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทกันททราบว่าเป็นมะเร็งลูกก็เหมือนจะหดหูนิดหน่อยแล้วค่ะ บางทีก็แล้วก็เป็นมาแล้วเราผ่านแล้ใช่นะคะบางทีก็อืมมันก็เหมือนกับย้อนกลับมาแล้วหนูก็กลัวว่ามันจะกลับมาหาหนูอีกไหมอะไรอเงี้ยมันก็มันต้องมาแน่ช้าเลื่อนเลยจริงเจ้าค่ะเตรียมต้อนรับเหมันได้ดีกว่าอย่าไปกลัวมันนะค่ะก็ฟังธรรมะพระอาจารย์บ่อยๆก็ค่ะ ก็อาจจะมาไม่ทันเราก็ได้เราจะไปเราจะไปพร่อโลกอื่นไปก็ได้จริงจ้าไม่มีอะไรแน่นอนจ้าครัอาจารย์ท่านแข็งแรงนะจะจ้าคุณยอดสวัสดีเชิญคุณยอดสวัสดีได้ยินไมรับธรรมสการนะครับอาจารย์ครับอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่นครนายกครับอืมมีอะไรไหม ออพอดีได้พอดีมีคนแนะนำให้มานวมัธ ก, การพระอาจารย์นะครับก็เลยถือโอกาสมานั่งฟังด้วยครับพระอาจารย์รยไม่มีคำถามเลยนะ อ, อ๋อยังไม่มีครับโอเคองั้นก็ฟังไปเรื่อยๆกันนะเดี๋ยวจะไปท่านต่อไปครับอเคข อ, อคขออนุญาตพระอาจารย์ครับพอดีอดอมีแม่บ้านมา พระอาจารย์ท่าานบ้านยังกระถามอะไรรึเปล่าอ่านรัตสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เอ่อมีคําถามเจ้าค่ะพอดีว่าหนูมีหนูตามพระอาจารย์มาได้ถักพักเราค่ะแล้วก็ปฏิบัติอย่างตามที่พระอาจารย์แนะนํานะคะทีนี้หนูมีคําถามมาสคําถามคําถามแรกจะเกี่ยวกับการปฏิบัตินะคะว่าเวลาเราพุทโธค่ะพระอาจารย์ เสียงมันขึ้นจากทางไหนอะคะ่ะคือเมื่อเมื่อตอนสงกรานต์ที่ผ่านมานะคะ่ะหนูได้ถือศีลแปดห้าวันรวดอะคะ่ะแล้วประมาณวันที่สามที่สี่การนั่งสมาธิดีมากะคะ่ะอาจารย์ทีนี้ณนะตอนนั้นน่ะหนูจับทางตัวเองได้ว่าการใช้คำว่าพุทโธทีๆมันจะช่วยตอนที่หนูฟุง้งซ่านได้แต่ในขณะที่หนูกำลังเห็นพุทโธทีๆนั่นนะคะ มันเหมือนหนูจินตนาการเองหรือเปล่าไม่ทราบนะคะพอาจารย์คือมันจะเห็นเป็นดอกบัวแ ก, แก้วสวยๆอยู่บนหัวซึ่งมันทําให้ใจสบายแต่หนูไม่มั่นใจว่ามันจะทําให้หนูฟุ้งซ่านขึ้นหรือเปล่านะคะอาจารย์มันคําถามก็คือว่าพุโทโธขึ้นมาจากทางไหนอะคะอาจารย์มันขึ้นมาจากปากมาจากใจเราไม่ต้องสนใจมันมาจากไหนแล้วขอให้มันมีพุโทโธกันแล้วกัน ถามีพุทโธยู่เรื่อยๆก็แล้นแต่เวลาปฏิบัติต้องมีพุทโธพุทโธมีสติไว้ควบคุมใจ blurry. มันจะมาจากที่ไหนไม่ไม่จำไม่จำเป็นจะต้องรู้เหมือนตอนที่เราพูดเนี่ยมันมาจากที่ไหนคําพูดของเรามาจากที่ไหนอันก็มาจากที่เดียวกันพุทโธก็เป็นของพูดเนี่ยค่ะค่ะอาจารย์ก็ไม่ต้องสนใจเถ้ามันมีพุทโธอยู่เรื่อยๆก็แล้วแต่อย่าให้พุทโธอย่าให้มันหาย อาจารย์ยังไม่สงบนั้นอย่าเพิ่งหยุดพูดถ้อยเจ้าค่ะคําถามที่สองค่ะพระอาจารย์คือช่วงนี้หนูมีความฟุง้งซ่านในการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นค่อนข้างบ่อยเนื่องจากการทํางานนะคะพระอาจารย์ทีนี้จากคําสอนที่ว่าทําดีละชั่วทําใจให้บริสุทธิ์นะคะ่ะทําดีกับละชั่วพอจะทราบแนวทางการปฏิบัติอนะคะพระอาจารย์แต่ อ่แต่การทําใจให้ผ่องใสพระอาจารย์มีคํานอกจากสติแล้วมีธรรมะข้อไหนที่จะช่วยเราเรื่องนี้ได้อีกไหมคะก็ปัญญาไงปัญญาก็ต้องมองว่าพวกเราทุกคนเหมือนกันหมดเป็นขันหา้าเป็นรูปนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณลอยแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดมองส่วนที่มันเหมือนกันนั่งแ่อย่าไปมองส่วนตา่างนี่คือปัญญาก็ค่ะ แล้วเราก็จะพอเราตายกันก็ชั่วดีที่ที่เป็นการกระทาของแต่ละคนทั่นเองซึ่งมันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนใครดีก็ดีไปใครชั่วก็ชั่วไปพอเราตายกันแค่ตรงนี้แต่ร่างกายเหมือนกันทั้งร่างกายการการฐาน ท, ที่สองใจก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นเป็นขันเป็นสภาวธรรม ไม่มีตัวตนในในขันห้าไม่มีตัวเรามันเป็นกิเลสของเราหลงตั้งขึ้นมาเองสมมุติขึ้นมาเองไมว่าเป็นเราเป็นเขาบางทีกันก็มันก็เป็นเรื่องของสภาวะธรรมขันห้ามาเจอกันแล้วก็มีปฏิกิริยาต่อกันได้เลยค่ะขอบคุณอาจารย์คำถาสุดท้ายเจ้าค่ะพระอาจารย์พอดีหนู คนข้าจะมีปัญหาเรื่องเซลเอสตีนิดนึงค่ะคือไม่เชื่อมั่นในความสามารถตัวเองค่ะอาจารย์คือหนูก็ปรึกษานักจิตมาปีสองปีแล้วนะคะแต่ว่ามันมันยากอะค่ะที่จะยอมรับตัวเองแล้วก็สำเร็จอะไรก็ไม่รู้สึกสุขใดๆเลยกับความสำเร็จของตัวเองอะคะ่ะมีธรรมะอย่าไปอยากอย่าไปอยากพอไ่อยากแล้วมันก็เลยทำให้เราต้องคอยทาตามความอยากของเราให้ได้ เราอย่าไปอะหยัดชีวิตของเราประหยัดมันทําไมตาอมาของชีวิตของเราก็คืออยู่เพื่อหยุดความอยากหยุดหยุดความต้องการอะไรต่างๆให้เราอยู่แบบไม่มีอะไรไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องไปแสวหงหาหน้ามุ่ยสารสุขให้เสียเวลาเบาๆเครียดเป็นเบาๆทุกข์เป็นเบาๆได้มาแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เราหายทุกข์ไม่ได้ทําให้เราสุขอย่างแท้จริง งั้นอย่าไปอย่าไปวัดตัวเราด้วยด้วยการการแสวงหาราดยุทธ์สเสริญถูกให่เราวัดตัวเราเองด้วยการที่เราเอาชนะความอยากของเราดีกว่าโดยการปฏิบัติ ส, สติสมาธิปัญญาเนี่ยสามตันี้อืมบางทีเวลาทํางานนะคะพระอาจารย์พอเราอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าความสามารถเราไม่ถึงนะคะ พอมันไม่เชื่อในตัวเองแล้วมันต้องทํางานใหญ่ๆยากๆมันก็จะยิ่งกลัวค่ะอาจารย์อันนั้นมันเกิดจากความอยากที่จะทําให้ได้มันเลยกลัวไหมคะมันก็อยู่ที่ว่าเราไปประเมินมันมากกว่าความสามารถของเรามั้งเราก็เลยกลัวว่าเราทําไมไม่ไปลองทํามันดูก่อนมันอาจจะไม่ไม่ได้มากหรือยากอย่างที่เราคิดก็ได้ถ้ามันทําให้ได้จริงๆก็ค่อยยอมรับความจริงไป ค่ะจริงๆค่ะพระอาจารย์จริงๆผ่านมาหลายงานค่ะพระอาจารย์แต่แต่หนูไม่ไม่มันคงเป็นเรื่องสตินะคะพระอาจารย์ที่ที่หนูคงสติอดไปหรือเปล่ามันไม่เชื่อในตัวเองไปเองเอะค่ะพระอาจารย์กลัวความล้มเหลวส่วนใหญ่เกิดจากกลัวความล้มเหลวค่ะค่เราก็ต้องสอนด้วยว่าโวกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอน บางทีก็สำเร็จบางทีก็ไม่สําเร็จค่ะขอเราทําให้ดีที่สุดขอเราทําให้ดีที่สุดตามกําลังของเราแล้วมันจะล้มเหลวก็ยอมรับสภาพไปนั่นเองเจ้าข่ะค่ะอาจารย์ได้ค่ะอาจารย์ก็การนมัสการค่ะอาจารย์หนูเพิ่งจะมาออกกล้องพอดีน้องดิษยาที่นราธิวาสแนะนํำหนที่ว่าให้มากราบขอกําลังใจค่ะจะไปวัดอยู่ค่ะอาจารย์พอดีว่า หนูว่าหนูฟังพระอาจารย์พอจะเข้าใจการฝึกสติเบื้องต้นค่ะแต่ว่าไม่มียังไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวให้พยายามมากไปกว่านั้นก็เลยคุยกับน้องว่าถ้ามากราพระอาจารย์อาจจะมีกําลังใจมากขึ้นที่จะมาส่งผลการปฏิบัติบ้บบบบางค่ะน้องก็เลยให้เรามากราพระอาจารย์ค่ะเมื่อการปฏิบัติสตินี่แหละจะทําให้ใจเรามีนับมีความสงบและมีความความรู้สึกมั่นใจมั่นคงไม่หวั่นไหวกับ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสือ่อมเป็นธรรมดาเราก็จะไม่ไปเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นตัววัดเราแล้ววัดที่ใจเราว่าใจเรามั่นคงหรือเปล่ปาไม่หวันหว่นไหวต่อการเจริญหรือเสื่อมหรือเปล่ปาอยอมรับกับความเจริญยอมรับกับความเสือ่อมยอมรับกับความสําเร็จยอมรับกับความล้มเหลวมันก็เป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องปกติของโลก เหม <laughs> ออคะอนี่อยู่ที่นาตารางที่ว่าด้วยกันอะเอาค่ะปกติหนูทํางานอยู่ที่กรุงเทพเจ้าขาพอดีตอนนี้มาพักอยู่ที่นคร น, นายกเจ้าขาณ์ปัจจุบั น, น, นแล้ว <มา S 1> ไปรู้จักกรุงศรียาที่ไหนนะก็อยู่ตาราง ท, ที่วานี้น้องเป็นเพื่อนร่วมรุ่นตอนเรียนปริญญาโทที่วิศวะ ด, ด้วยกันเจ้าขาครัอาจารย์แล้วไปรู้จัก หนูก็แปลกใจค่ะพระอาจารย์อยู่ดีน้องก็ติดต่อมาแล้วก็เล่าเรื่องพรอาจารย์ให้ฟังปกติเราไม่ได้คุยกันค่ะซึ่งจริงๆหนูเคยได้ยินชื่อพระอาจารย์มาตั้งแต่ปีห้าเก้าหกศูนย์ค่ะจากคุณหมอสุวรรณีนั่นก็นั่นก็รู้สิทธ์พระอาจารย์ค่ะแต่ตอนนั้นน่คุณหมอพูดชื่อผ่านๆแต่น้องแต่น้องน้องตามดิศยาคือส่งอะไรมาให้อ่านเลยค่ะเป็นเรื่องเป็นราวหนูก็เลยไปฟังแล้วก็ให้คุณแม่ฟังคุณแม่ที่สมุทรสาครก็ะค่ะพระอาจารย์คุณแม่ก็ ไปถึงศีลที่วัดป่ามหาชัยครั้งละอาทิตย์สองอาทิตย์ค่ะก็มาฟังพระอาจารย์ก็บอกว่าเข้าใจง่ายกับพระอาจารย์ก็พยายามฝึกสติสมาธิให้มากๆให้ใจเราสงบแล้วก็สอนอสอนใจด้วยบรรยาว่าทุกสิ่งในโลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนและน้ะนีมีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงเราก็จะสามารถอยู่กับโลกนี้ได้ยอย่างสบายเข้าใจนะจ้าค่ะคระ ขอบคุณค่ ะ, จะอจารย์โ <Okay. S 1> อเคครับที่คุณเชียร์เชียร์ไเดียคุณเดียอยู่ที่ไหนเดียร์อยู่กาลธมอเหรออร่โคราค่ะพระอาจารย์โครมีอะไรกลักบพระอาจารย์ยเจ้าค่ะเคยก่อนหน้านี้พระอาจารย์แนะนาว่าให้สังเกตผัสสะแล้วก็ดูว่าใจชอบหรือไม่ชอบจ้าค่ะทีนี้ ของหนูมันสนมากช่วงนี้จะเห็นธรรมมาลมบ่อยเจ้าค่ะโดยเฉพาะความคิดเวลาที่เป็นกูสนก็ชอบเวลาที่เป็นอกุสลไม่ชอบแล้วก็ต้องคือชีวิตสนมากก็อยู่แต่กับธรรมะแล้วก็ต้องขอขมากรรมทีนี้การจะเห็นแต่คือคือเห็นเป็นเห็นเห็นมันแยกจากเราแล้วนะเจ้าค่ะคือไม่รู้ว่ามันเรียกว่าความคิดแยกจากจากจิตไหมแต่ว่า ถ้าหนูไม่ขอเข้ามากรรมได้ไหมเจ้าคะเรารู้ซื่อๆแบบเหมือนเป็นความพิเศษอื่นไปเลไปขออะไรกับใครที่ไหนน่ยทำไมต้องไม่ขอคำมากรรมในใจนี่แหละเจ้าค่ะไม่ต้องหรอกหยุดหยุดหยุดใจดีกว่าอย่าไปขอเข้ามาเลยหยุดความคิดหยุดอารมณ์ต่างๆดีกว่าปล่อยให้มันเกิดมากๆเดี๋ยวมันจะฟุ้งซ่านมันจะเป็นบ้าได้เข้าใจไหมมันคือมันผุดขึ้นมาแล้วมันก็ก็ดับไปมันเป็นมันเป็นอไม่ดีแล้วอย่าอย่าให้มันผุดอย พยายามหยุดมันพยายามให้มันหย่า้มันผดขึ้นมาใช้สติพุทโธพุทโธคอยปล่อยไปเลยใช่ไหมเจ้าคะเอออย่าอย่าไปปล่อยมันต้องคุมมันอย่าให้มันปรากฏขึ้นมาให้มันนิ่งให้มันว่าแล้วแล้วทีนี้อย่างเวทนาทางใจอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือหนูหนูไปหนูพยายามจะศึกษาวงจรปฏิจจสมุตบาทแล้วพยายามจะตัดชี่ผัสละให้ได้แต่ มันมันเลยมาถึงเวทนาแล้วมันเลยมาถึงตัณหาคือบางทีพอเกิดเวทนาปั๊บมันเกิดโทสะหรือโลภะมันไปชอบหรือมันไม่ชอบแล้วทํายังหนจะต้องทํายังไงให้มันไม่เกิดตัณหาเจ้าคะอ๋อนูต้องเห็นตายรักของต้องมองว่าของที่เราชอบหรือไม่ชอบมันไม่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเกิดแล้วก็ดับไปเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ นั่นอย่าไปชาบมันอย่าไปชังมันปล่อยมันไปตามเรื่องของมันก็คือต้องเห็นไตลักษณ์ของสุขขเวทนากระทุกขเวทนาด้วยใช่เห็นไตลักษณ์ทุกอย่างรูปเสียงกลิ่นรสพฤกษามอะไรทั้งวันที่เป็นไตลักษณ์ทั้งหมดและแล้วแล้วทุกขมัสขก็ก็เห็นมันถึงมันเห็นไม่ชัดก็ก็แค่เห็นมันเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นใช่ไหมเจ้าคะย้อนรู้ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไม่มีอะไรมั่นคงถาวร แล้วอ๋อแล้วแล้วทีนี้แล้วทีนี้หนูสงสัยว่าหนูไปอ่านเรื่องธาตุหกแล้วในร่างกายเรามีอากาศสธาติหรือธาตุว่างอยู่ไหมเจ้าคะก็มีช่องปากเราเนี่ยอ้าปากเข้าไปมันก็ไม่ชอบมันก็มีช่องว่างนะว่า ง, างอ๋อแต่มันไม่ใช่ธาตุลมใช่ไหมเจ้าคะไม่มันธาตุลมกับสายอ า, าก า, าศสธาติอยู่เนีย่ยมันอยู่ด้วยกัน อ๋องั้นแสดงว่าเวลาเดินจงกรมสมมุติว่าเราเดินแล้วเราสัมผัสถึงความว่างอย่างเช่นความว่างระหว่างคางกับเท้าของเราอย่างเงี้ยค่ะเราเดินไปอันนั้นก็คืออากาศสัทธาอากาศสาทัทธารอบตัวเรานี่ก็เป็นอากาศสาทธาทั้งนั้นนะแต่ว่าแต่ว่าความเคลื่อนไหวอะไรเงี้มันจะเป็นลมมันจะเป็นลมอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ความว่างใช่ลมพัดลมมั น, น<ท>ลมมันก็มันก็มันก็เคลื่อนไหวในอากาศธาสัท่าทีเหมือนกับเหมือนกับร่างกายเรานี้ นอง่าของพระคุณเจ้าค่ะแล้วทีนี้หนูสงสัยว่าวิญญาณธาตุหรือติที่เราใช่ใช่สิ่งที่เราเรียกว่าจิตไหมเจ้าค่ะอันนี้เป็นนามธรรมมันไม่ใช่นามธรรมเป็นเอ่อเป็นเป็นนามนามขันที่อยู่ในจิตอีกทีหนึง่งมันมีหน้าที่เชื่อมต่อร่างกายกับกับใจกับจิตอีกทีโดยที่ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสทางจากตาหูจมูกนิ้กายเข้ามาส่งมาที่จิตอีกทีนึง แสดว่าวิญญาณธาตุที่เป็นธาตุหนึ่งในตัวเราก็คือวิญญาณขันตัวเดียวกันใช่ไหมเจ้าคะที่เราต้องละเหมือนกันมันมีสองตัววิญญาณเนี่ยมีสองตัววิญญาณที่เป็นที่เป็นวัตวิญญาณที่ที่เป็นตัวจิตก็เรียกว่าวิญญาณเหมือนกันเช่นดวงวิญญาณเวลาร่างกายตายไปแล้วดวงจิตนี่เราก็เปลี่ยนชื่อว่าเป็นเป็นดวงวิญญาณไปแต่ในดวงวิญญาณนี้ก็มีนามขันต์อยู่มีรูปวิแท มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในนามขันอยู่ในอยู่ในในวิญญาณธาตุนี้ทีซึ่งเราไม่ควรจะเรียกมันวิญญาณธาตุมันสับสนเรียกว่ามันเป็นธาตุรู้ดีกว่าอ๋อวิญญาณธาตุกับธาตุรู้เป็นตัวเดียวกันอ่าตัวเดียวกันใน้ธาตุรู้ก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีกด้วยแล้ในธาตุแล้วแล้วน้อมกับพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วในธาตุรู้นี่ธาตุรู้กับนิพพานธาตุนี่ธาตุตัวเดียวกันไหมเจ้าค่ะ ก็ท่านรู้ที่ไม่มีกิเลสไงดแงนั้นเองถ้ารู้ที่มีกิเลสก็เรียกว่าวัตตจับอย่างวัดถ้ารู้ของพวกเรายังมีกิเลสอยู่เราก็ยังอยู่ในวัตตายวั ต, วตมินว่าตายเกิดอยู่พอไม่มีกิเลสมันก็กลายเป็นนิพพานขึ้นมาตัวเดียวกันน้องสาวพระอาจารย์ขอพระคุณเจ้าค่ะแล้วทีนี้พอหนูเดินสุดท้ายนะคาถามสุดท้ายเจ้าค่ะ พเวลาที่หนูเดินหนูเริ่มรู้สึกว่าความเจ็บมันก็อยู่ส่วนความเจ็บมันเหมือนกับมันแยกออกจากเราเวลานั่งก็รู้สึกว่าขามันแยกออกจากเราอันนี้ไม่ใช่คานที่เราเห็นอนัตตาแต่เราแค่เห็นจิตมันเริ่มแยกออกจากกายอย่างนี้ใช่ไห ม, มเจ้าคะกับเวทนาเริ่มแยกออกจากจิตใช่จิตเป็นผู้รู้ผู้รู้ก็รู้ขันไปรู้เวทนาสัญญาสังขารรู้รูปไปรู้ว่ามันเกิดดับเกิดดับไป แต่ว่าไม่ใช่เห็นอนัตตาใช่ไหมเจ้าคะก็ต้องสอนมันว่ามันก็เป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ไม่เหมือนดินฟ้าอากาศอ๋ออ๋อเจ้าค่ะต้อสอนมันตงสอ น, นให้รู้ว่ามันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนโอเคนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะน้องกับขอให้พระอาจารย์เป็นล่มโพล่มใสอยู่สั่งสอนลูกหลานนานๆอีกหลายๆสิบปีเจ้าคะ ก็ขอให้หนู้ปฏบิบัติบ้างนะอย่าเพียงแต่คิดนะอ่น า, อานอย่างเดียวนะต้องภาวนาทำจิตให้สงบให้ได้นะถึงจะเพิ่ความรู้ที่เราเรียนรู้ตนอนนี้จะได้มีประโยชน์โอเคอเ ค, คุณออนอน้องเชิญออธรรมอ่ารมะมัชการค่ะพระอาจารย์ได้ยินไหมคะวันนี้ใช้หูฟังได้ยินชา จ, จาค่พะพอาก็ยังคง พยายามปฏิบัติไปอาทิตย์ที่ผ่านมางานก็จะยุ่งพอสมควรต้องรีบจาบเรียนถามพระอาจารย์ว่าอย่งเวลาอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยการ น, นั่งก็จะไม่ค่อยต่อเนื่องค่ะพระอาจารย์นั่งชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จริงๆพยายามจะนั่งให้เกินหนึ่งชั่วโมงก็สติอ่อนลงถอยออกมาระหว่างวันพยายามอยากจะหาเวลานั่งบางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างคราวนี้สิ่งที่สังเกตตัวเองคือ บางทีเราจะรู้สึกเศร้าหมองอะ่ะเหมือนเหมือนเราทําไม่ได้ตามที่เราตั้งใจแบบนี้มันเป็นกิเลสเหมือนกันใช่ไมคะกิเลสความอยากความอยากมากกว่าที่เราทําได้ต้องลดความอยากลงยินดีตามมีตามเกิดทำแล้วได้เท่าไหร่ก็ทานั้นไปต้องมันไปตกปลาวันนี้อาจจะได้สองตัวตพวกเนี้อาจจะไม่ได้เลยค่ะมันไม่แน่นอน ค่ะจะต้องวางอย่างนั้นเมื่อไงรู้สึกบางทีพอไม่ได้อย่างที่ตั้งใจอ่ะอย่าไปคิดว่าต้องกันต้องต้องได้ฐานฐานนี้พอไม่ได้มันก็อย่าทำให้เราเศร้าใช่มันโหดโคกค่ะอาจารย์อย่คิดว่าเพียงแต่เราเพียงแต่เราได้นั่งก็ถือว่าได้แล้วได้ได้กําไรแล้วคิดอย่างนี้ดีกว่าแ้่ท่านก็ถ้าปรับความคิดอย่างนี้น่าจะดีขึ้นค่ะอาจารย์ดีมากได้ส่วนจะส่วนจะได้มากได้น้อยก็เป็นเรื่องของสติของเรา โทษสติอย่าไม่โทษใครถ้าได้ผลดีก็เพราะวันนี้สติเราดีไม่เผลอถ้าวันไหนยังแล้ไม่ดีก็แสดงว่าสติเราไม่ดียังโทษที่สติแล้วจะได้มาฝึกสติให้มากขึ้นต่อไปค่ะพระอาจารย์ได้ลูกจะต้องกินอย่าง น, นขออนุ ญ, ญาตเรียนถามพระอาจารย์อีกหนึ่งข้อค่ะพอดีว่าจะมีรุ่นน้องอันนี้อยากจะได้ทคำแนะนํา น, นะคะรุ่นน้องเนี่ยจะโทรมาแล้วก็จะ ร้องไห้แล้วก็ข้ามควนว่าจะฆ่าตัวตายเวลาเราเจออย่างเงี้ยลูกควรจะรับมือกับลับกษณะคนที่โทรมาขอมามาม า, มาร้องผมร้องไห้แล้วก็ข้าครวนว่าถูกครอบครัวล้างแกจะฆ่าตัวตายเราควรจะให้คำแนะน า, น า, าเขาอย่างไรบวชฆ่าผิดตัวอย่าไปฆ่าร่างกายฆ่ากิเลสบวชต้อฆ่ากิเลสฆ่าความอยากของเรา อยากให้เขาไม่เอาเปรียบเราอยากให้เขาไม่รังแกเราเราก็เลยเสียใจค่าตัวนี้เราอย่าไปอยากเราบังคับเขาไม่ได้เขาจะรังแกเราหรือไม่รังแกเราเราไม่บังคับเขาไม่ได้เรามาํำใจ<ง>ยอมรับกับความจริงดีกว่าเขาจะรังแกก็ปล่อยเขารังแกไปเท่านั้นเองถ้าเราไม่ไปหวังอะไรจากเขาเราจะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไปหวังให้เขาดีกับเรารักเรา เราเขไม่ดีกับเราไม่ร่างเราเราก็ทุกข์อยากจะฆ่าตัวตายไปทั้งนี้อฆ่าตัวตายก็ไม่ได้แก้ปัญหาแก้ตัวตายก็ไม่ก้็ไม่ได้แก้ปัญหาความน้อยใจมันก็ยังติดตัวติดไปกับใจต่อไปชาญ้ามันก็เจอปัญหาเดิมอีกดีครับอาจารย์เดี๋ยวรู้เจอลองใช้คำในคำนี้เพราะบางทีจะโทรมาเ ก, ก, กือบทุกเกือบวันเว้นวันรู้ก็อ๊จะแนะนำเขายังไงดีจะไม่ฆ่าร่างกายฆ่ากิเลสของเรา ถ้าความอยากความน้อย อ, อกน้อยใจความอยากให้เขาดีรักเราชอบเราเมตตาเร า, เราเราพอไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจอยากจะฆ่าตัวตายเท่านั้นน่าจะเป็นจะเห็นนั้นเนี่ยที่พระอาจารย์อืได้ให้คาแนะนำแน่ๆค่ะค่ะาตัวนี้อย่าไปอยากอะไรจากใครบอกก็อยู่ตามภาษาของเราตา ม, มตามเมตตาเกิดอย่าไปหวังวอยากจะได้อะไรจากใครแล้วเราจะไม่เสียใจค่ะ เสียใจเพราะอยากจะไปพึ่งเขาพเพราะก็เราพึ่งเขาไม่ได้เราก็เสียใจใช่ไหมใช่ค่ะอัตตาหิอนโนนาโถรพระเจ้าบอกค่ะ อ, ะอาจารย์ได้ค่ะพระอจารย์วันนี้ก็มีคําถามประมาณนี้ค่ะก็ขอให้พระอาจารย์ทาดขันแข็งแรงนะคะค่ะครับทุกคน่าคุณคุณจอยอคุณจอยพัะเทียเข้าได้แล้วเข้ายากมากค่ะ เอ่อห้องนี้มันพ็อปเปอเนี่าไงคนเพราะก่อนหนูยังแรกๆหนูเข้าง่ายอย่ะในมายคนในมาคนไม่ค่อยรู้จักไงตอนีคน<อ>รู้จักเยอะแล้นูหนูถาวมว่าวิปัสนาญาณคืออะไรก็ปัญญานี่แหละเห็นตายรักเนี่ยวิปัสนาเห็น <c oughs> มีเกิดมีดับเนี่ยเห็นร่างกายเราเกิดแล้วเดี๋ยวต้องตายถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราอยอมรับมันก็แสดงว่าเรามีปัญญาเรามีรู้มีวิปัสนาญาณนะ เราไม่กลัวตาย<อ>นะยอมรับความเป็นจริงของชีวิตของเราเ อ, อ, อ, อมีเกิดแล้วก็เรามีดับตอนนี้เราไม่ยอมรับเท่านีเ้เราไม่ยอมดับเราไม่ยอมให้มันดับมันก็เลยมันก็เลยเป็นมันโมหะเป็นความหลงไปมันถ้าเป็นปัญญาก็ต้องรู้แจ้งเห็นจริงเนาะมันเกิดแล้วก็ต้องดับเป็นธรรมดาสิ่งใดมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนั้นแนี่ แต่แต่ได้ใช้ชีิตทุกวันก็เหมือนได้รู้ไปแต่ละวันเพราะมันมีเขาเรียกบททดสอบเข้ามาให้เราได้คิดได้อ่านทุกวันเลยค่ะออก็ฝึกซ้อมไปไเรื่อยๆซ้อมเร่อยๆเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยยอมมองความจริงกันเราอชอบ ม, มองความความตามความอยากอยาให้ทุกอย่างดีอยากให้ทุกอยาก่างอามอยากให้ทุกอยากา่อยางอ ย, าอยู่ไปนานๆไม่มีอะไรอยู่ไปนานๆไม่มีอะไรดีไปตลอดเข้าใจ ไ, ไหมค <ขอ S 1> ่ะเข้าใจครับ ต้องปอเตือนใจสนใจอ่า ok ค่ะก็เออไอคนโตหนูไปเรียนแน่ฟ้าหลวงแล้ค่ะอ๋อแล้วเดี๋ยวดู ค, ค่ะ ok แล้วหนูไปใส่บาตร ท, ทเหมือนเดิมค่ะเ ข, า, ขาเนขเรียนคณะไหนนะเ อ, อ่อนิติค่ะทรรมกายคะโอเ ค, คอเคียนาทางชาลาห์นะเก่งไหมก็ถามดูว่าเขาบอกพออตัวรอดได้อ่าดีโอเคค่ะ แดี๋วไาตไม่ไม่ห่วงเขาแน่ห่วงไหมอืมไม่ห่วงค่ะเขาตอนพอไปส่งเขาเขาร้องไห้แต่ที่บ้านไม่ร้องไห้กันเลยก็เข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติไม่เคยไม่เคยไปอยู่คนเดียวไม่เคยค่ะไม่เคยปกติอยู่ด้วยกันตลอดเลยค่ะเนี่ยการพลาดพลาดจากกันใช่ค่ะหนูได้เรียนรู้ตรงนี้ก็แต่ก็ไม่ได้เสียใจแบบไม่ได้ไม่ได้ผูกพันเราก็ทําห้ถึงเราต่อไปถ้าเราไม่เสียใจก็แสดงว่าเรารับความจริงได้ค่ะหนู พอมาถูกก็แบบว่าต้องต้องต้องสู้ต้องต้องดันตัวเองให้ได้ให้พัฒนาขึ้นนะคะโอเคดี๋ยาไปใส่บาตรนะโอเคอคุณนิงคุณน่งไม่มวใส่บาตรเมื่อสองวันก่อนนี่เก่านามาสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้ยราไม่มีคำถามเจ้าค่ะเป็นางไันวันก่อนใส่บาตรพาแฟนมาด้วยนะเจ้าค่ะ แฟนหนูจริงๆเขาเป็นคาทอลิกนะเจ้าค่ะอ๋อก็ได้ทำบุญได้คาทอลิกก็มีทําบุญเหมือนกันเขก็ฝากคำถามมาค่ะอาจารย์เขาถามว่าให้เขาเป็นคทอลิกแล้วเขาใส่บาตรเขาจะได้บุญไหมค่ะได้ก็เหมือนกับเขาช่วยเหลือคาทอลิกก็มีการช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ใช่มเราสอนให้ช่วยเหลือกันมันก็เหมือนกันเป็นบุญเหมือนกันเจ้าค่ะความถูกใจอิ่มใจเนี่ยคือบุญบอกเขา จะทำอะไรแล้วเราไม่วามสุขใจอิ่มใจนี่แหละคือบุญเจ้าค่ะกับขอบพระคุณเจ้าค่ะโอเคไปที่คุณหมอสุทธิธรรมยาชื่ อ, อนี้ยาวชี่สุทธศสนีเจ้าค่ะสุท ธ, ธานีพ ร, ระทุมปาะีค่ะท่านอาจารย์เจ้าค่ะการแต่อวียะของ สัตเพื่อรักษาชีวิตเขาไม่เป็นบาปใช่ไหมเจ้าค่ะไม่บาปหรอกพระพุทธเจ้าจบอกให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตนะครับเจ้าค่ะพวกนี้มีผ่าตัดตัดขของน้นองแมงเจ้าค่ ะ, ะผ่าตัดทำหมันในพวกนี้มันไม่บาปเพราะมันประโยชน์ป้องกันปัญหาที่จะอาจจะตามมาคำถามเดียวเจ้าค่ะแต่แต่ทำให้เ้าตายเนี่ยบาปเวลาที่เขาเจ็บไข้ายี่ยป่วยแล้วรักษาไม่ได้แล้ว ไม่อยากจะให้เขาทรมาอเ่ี้ยถ้าไปทําให้เขาตายเย่างนี้บาปให้เขาทนอยู่กับสภาพนั้นไปเลยบางทีเขาอาจจะเกิดปัญญาขึ้นมาก็ได้ว่ า, าเกิดมาแล้วต้องเจออย่างนี้ต่อไปเขาอาจจะไม่อยากจะเกิดก็ได้จบค่ะนะจบค่ะตอนนี้เป็นยงโลกของคุณหมอโอเคไหมโอเคไม่มีปัญหาเลยนะ ไม่มีปัญหาใดเจ้าข่ก็ส่งตัวอาการเจ็บท้องก็ทุเราลงเจ้าอืะก็ใช้ธรรมะโอสถไปด้วยร่างกายไม่สงบธรรมะโอสถที่สำคัญกว่าโอสถธรรมดาได้ซําไปถ้ามีธรรมะโอสถแล้วใจจะไม่ทุกกับการเจ็บไายได้ป่วยของร่างกายเจ็บไปก็รักษาไปไม่รู้สึกเดือดร้อนเจ้าข่ะรู้สึกว่าสบเป็นธรรมดา กิแก่เจ็บตายเป็นธรรมดารยมพลความแ ก, แก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้นันไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจน้อมนำคำสั่งสอนท่านพระอาจารย์ไปปร ะ, ประพุตปฏิบัติเจ้าค่ะอ่าแบบที่คุณกิดต่อคุณเกินยังไงพระสักคารครัาบาาอาจารย์ ครับอาทิตย์ที่แล้วก็เข้าครับแต่ ว, ว่ามันแบตจะหมดก็เลยไม่ได้เปิดกล้องครับรอาจารย์อืเขาก่อนก็ขอข อ, ขอขอเข้ามาอาจารย์ครับแบตหมดพอดีครับมันเลยหลุดไปครับได้มือถืออยู่ใช่ไหมอ๋อมือถือใช่ใชแต่เสียงชั้นดีนะเสียงชั้นอ๋ออันนี้ไม่ได้ใส่หูฟังครับส่วนมากเวลาใส่บูทบูทบางทีดึงมันออกหรือไปโดนมันนิดมันมันก็หลุดซูมก็อาจารย์หลุดเลยนะอืมสั น, มนนี้ปกติใช่ไหมครับอาจารย์ ดีเสียงชัดดีครับก็วันนี้ก็มาฟังถามครับจะได้เป็นกําลังใจครับอาจารย์ยังไม่กลับต้น อ, อาจารย์บ ว, วันนี้ก็ไปมาครับพุทธ่แล้วก็ส่วนมากจะไปทุกวันพุธครับรอาจารย์พุทธิแล้วฝนตกเยอะเยอะเหมือนกันครับเราทำามไม่ได้ไปนิมไปบินดาบะที่อื่นอ่าเหมือนตอนเช้าท่านไปมาเลยครับแล้วตอนเย็นะจะทีมอีกทีมธรรมะข้างถนนนิมนต์ไปท่านให้ท่านเทศตอนเย็น S <S เทียนนุสาวรีทุกวันพุธครับอืมแล้วก็สุกแรกของเดือนที่อาคารฟอร์จูนตรงพระรามเก้าครับพระอาจารย์อืครับเดี๋ยวท่านก็จะมีโครงการด้วยบวชบวชคุณําไปจับเส้ น, น, นท่านที่ที่นั่นนะหลังจากที่ท่านเทศเสร็จนี้นะอ่าส่วนมากจะเอ่าท่านนําสวดนำสว ด, ดเสร็จก่อนสี่สิบห้านาทีแล้วก็ท่านจะเทศสี่สิบห้านาทีก็จะอาศัยช่วงเทศนะครับอืมพอเทศเสร็จก็ ก็ช่วงระหว่างเท่ก็จะนวดให้ท่านนะครับมานวดได้นัมาเท่ไปนวดไปนะก็จะมีเหมือนมีโต๊ะพุงสูงมีผ้าปิดอยู่บังอยู่ครับอยู่ห้องหลังผ้าเใช่ใช่แต่ถ้ามองีก็ไม่ไม่คือไม่นวดครับเพราะว่าเดี๋ยวมันออกกล้องดูไม่สํารวมครับดูท่านไม่อยากให้ทาอาจารย์ท่านดูไม่สํารวมอืมีโอกาสก็อยากจะนวดถวายพระอาจารย์ทุกชาติด้วยนะครับอ๋อไม่เป็นไรตอนนี้เราอย่างพอช่วยได้ แล้วได้ใช้อยท่านต้องนั่งรถเข็นตลอดลวเวลาไปบินบารเนี่ยอ๋อแต่คนเยอะจริงๆครับพระอาจารย์<ม>ยิ่งวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันพารครับพระอาจารย์อืมทำไมตัวท่านอาจารย์นี้เวลาท่านบินบารที่ท่านต้องนั่งรถเข็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยอ๋อก็ลูกศิษย์จะถนอมทัดขันท่านครับพระอาจารย์อืมเพราะว่าถ้าเกิดท่านเดินเยอะๆท่านก็จะมีอาการปวดขาครับอืมอย่างพุธที่แล้วผมไปช่วยนวดก็ ก็แข็งมากครับเหมือนเป็นคนเป็นเตะคิวทั้งสองขาครับคือก็แบบต้องใช้เวลาทั้งชั่วโมงนั้นนะครับนวดแต่ขาสองข้างครับาาอาจารย์นั่นได้บุญมากเหมือนกันได้ได้ใน้โอปปัตถาพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกโอปปัตถาภาพป่วยก็ถือว่าได้โอปปัตถาตัวพระพุทธเจ้า่ะอืบบผผม โอ้โหนะทุกครัก็ก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้ช่วยท่านบ้างและท่านก็เหมือนท่านก็ไปปวดญาติโยมไปช่วยคนอีกครับช่วยโคนเพิ่งมาสายท่านเยอะท่านไปไหนไปเขาก็จะเดือดร้อนกันโอ้ใช่ครับที่นั่นก็เป็นชุมชนเป็นเมืองท่านก็พยายามจะสร้างเมืองเดี๋ยวท่านจะสร้างเมืองลิงด้วยครับพระจ่าเพราะลิงที่ลพบุรีค่อนข้างเยอะครับไปรบกวนชาวบ้านไยม ใช่ครับท่านก็เลยจะสร้างแบบเป็นกำแพงลงสูงแล้วให้เลี้ยงอยู่ในนั้นแล้วก็ให้มีอาหารแล้วก็เหมือนให้คนแบบสามารถร่วมบุญได้มาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงคือเขาถ้าเขาหลวงพ่อบอกถ้ามีอาหารอยู่ในนั้นเขาก็จะไม่ออกมาคนคนครับใหันอยู่แบบธรรมชาตินะใช่อือาหารได้ลี้ยงใ้เข้ามาให้มันกินกันเองใช่ครับแต่ต้องเป็นกำแพงที่สูงแล้วเป็นผนังเลื่อเป็นไม่ได้ได้ครับอาจารย์ แล้วก็พีก็ได้ยินที่ป้าชันตอบคุณหมอก็ระบายใจครับว่าถ้าเกิดสมมุติต้องไปทํำหมันมันก็ถือว่าเหมือนจะต้องควบคุมปริมาณมันครับเพราะว่าออกอะไม่เป็นบาปหรอกของนี้ครับอาจารย์โอเคนะได้ครับทําำไปเรื่อยๆทำบุญไปเรื่อยๆอย่าทํำบาปก็จะฝึกภาสมาธิด้วยครับป้าชันสมาธิดีก็จะนวดดีขึ้นด้วยครับโอเคครับสาธุครับท่านแกง อนี่คือฟปลว่าอะไรแปลห้ายอสามยอ4ี่ยอขอบอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคำถามเจ้าค่ะไม่มีนะยังอยอรู้สึกไปที่คุณหลาแนละ้วคุณหลามีคำถามไหมมีคำถามจากทาง Facebook และ YouTube ทั้งหมดเจ็ดคำถามเจ้าค่ะคำถามแรกจากคุณวริศผมมีเพื่อนต่างชาติที่สนใจในศาสนาพุทธอยากแนะนำเขา จะเริ่มที่ตรงไหนดีครับอย่างเช่นเรื่องสุราเขาก็มองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าไม่ดื่มเยอะก็เป็นแค่เครื่องดื่มอันหนึ่งเท่านั้นเขาจึงไม่เห็นโทษขอบพระคุณครับก็ถ้าเขายังไม่สนใจก็ไม่ต้องไปสอนเขาปล่อยเขาถ้าเขาสนใจก็าถามว่าพระเจ้าสอนให้ทําอะไรแล้วก็บอกเขาให้ถือศีลห้าให้ทําบุญทําทานอื แต่ถ้าเขาไม่ไม่สนใจก็อย่าไปสนอย่าไปอย่าไปถกเถียงกันเลยปล่อยเขาไปตามตามเรื่องของเขาเถิดคำถต่อไปจากคุณหนูดีโกรธแม่เกลียดน้องรู้สึกผิดที่ทำให้แม่ร้องไห้การภาวนาไม่ก้าวหน้าจะแก้ไขอย่างไรคะพ่อแม่เกลียดน้องในทำให้ แล้วก็รู้สึกผิดที่ทำให้คุณแม่ร้องไห้ค่ะมันก็เลยทำให้การภาวนาไม่ก้าวหน้าไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรค่ะก็อย่าไปโกรธใส่ข้าต่อไปพิธีไม่โกรดก็คือเราต้องเราต้องถือว่าแม่นี้เป็นเหมือนกับผ้าละหารของเราเวลาไปกราบพระพุทธเจ้ากราบผ้าเราเราต้องนอ้นอมนอ้อมต้องต้องไม่มีกิริยาการที่แสดงถึงความ ควาไม่พอใจลยทั้งสิ้นท่านจะทาอะไรท่านจะพูดอะไรก็ปล่อยเป็นเรื่องของท่านไปอย่าไปอย่าไปเอาเรื่องอย่าไปทือเทิดโกรธเึืองท่านแล้วต่อไปเราก็จะไม่โกรธท่านบางทีเราเรามองตัวเราเองเหมือนกับว่าเราเป็นเป็นใหญ่กว่าแม่เราไปอยากจะสั่งให้แม่ทำอย่างมุ่นทดอย่างนี้พอแม่ไม่ทำเราก็เลยโกรธ เราต้องรับกสุะสติของเราว่าแม่เป็นเหมือนเหมือนพระอาหารหันต์ของเราท่านสูงมากเราเป็นเหมือนเราเป็นเหมือนคนคนรับใช้ท่านท่านจะทำอะไรท่านจะพูดอะไรเรามีแต่รับทราบรับทราบอย่างเดียวแล้วต่อมปเราก็จะไม่โกรธแม่เราจะรักแม่คิดถึงบุญคุณของแม่ถ้าไม่มีแม่เราก็ไม่มีเรา แม่เลี้ยงเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องมีการรักเราเท่ากับแม่ไม่มีหรอกในโลกนี้ให้คิดอย่างนี้แล้วจะได้ไม่กล้าไปร่วงเกินล่วงละเมิดแม่ไม่ไปกล้าไปโกรธแม่คำถามต่อไปจากคุณต้นเอาอาการปวดหัวมึนหัวเป็นอารมณ์ได้ไหมครับกลับสาทุศครับก็ ล, ลองดูถ้ามันปวดก็ใช้มันดู ใช่มันดูมันน้อทาใจให้เราสงบได้ก็โอเคใจเราจะไปทุกกับมันถ้าทําให้ใชอารมนั้นทําให้ใจเราเน่งได้ก็โอเคแต่ส่วนใหญ่มันยากเพราะเวลาเกิดอาการมันเกิดแลใจมันจะเริ่มทุกข์ใจมันจะเริ่มเครียดแล้วมันจะทำทําใจให้สงบได้ยากแต่ถ้าทําได้ก็ดีมีสามคำถามจากคุณว่เสนอน้อมกราบเรียนถามครับ ในบทยอดพระกันไตรปิฎกมีประโยคที่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมทำว่าธรรมนี้แปลว่ากุศลหรือไม่ครับารัมก็ทาได้เป็นกุศลนะาทํมที่พระเจ้าสอนได้สองตัลลุมอย่งอริยศัสสี 4, ม 8, ่มาแฝดตายรับเนี่ยคำถามที่สองเป็นคำถามต่อเนื่องจากประโยคเดิมเจ้าคะ่ะ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยธรรมที่เป็นาธาตุคือสวรรค์ชั้นมายาคำว่ า, าธาตุนี้แปลว่ า, าธาตุขันได้ไหมครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะไม่ทราบความหมายันเป็นยังไงคำถามที่สามกิเลสคือความอยากความอยากคือกิเลสไม่ทําตามความอยาก คือยาแก้กิเลสที่ได้ผลกระผมเข้าใจถูกต้องไหมครับน้อมกราบขอข้อปฏิบัติที่จะกําจัดกิเลสให้หายขาดไม่กลับมาอีกด้วยครับเรต้องปฏิบัติศีลสมาธิทานศีลภาวนาเน้นศนะีล ส, สมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือที่จะดับกิเลสได้ถ้าไม่มีทานศีลภาวนานก็จะดับไม่ได้คำถามสุดท้ายจากคุณคีธัตนา คำถามเจ้าคะ่ะโยมได้รับหนังสือแจกจากคุณหมอวีชื่อหนังสือนักเดินทางเจ้าคะ่ะโยมอยากพิมพ์แจกเป็นธรรมทานสามารถพิมพ์แจกได้เลยไหมเจ้าคะ่ะได้เลยถ้าถ้าไม่ไม่ได้พิมพ์เพื่อจำหนาน่อยถ้าเป็นธรรมทานแจกฟรีก็ได้หนังสือก็อยคตาสติ ค, คุณานะจะว่าอย่างไรจะบอกให้ญาติโยมขอไม่ลืมเี่ยังไงอ้อค่ะพิมพ์หนังสือ กายคติของหลวงตาพระมหาบัวมาแล้วก็วันเสาร์นี้จะมีแจกไปที่ส่งถวายพระอาจารย์ที่ที่วัดค่ะพันเล่มแล้วก็ที่เหลือสามารถแอดไลน์หลามาหาหลาออกจากภาวนาหลาจะไปภาวนาสามเดือนค่ะออกจากภาวนาก็จะมาจัดส่งให้ทางไตรษเนียค่ะแต่ถ้าคนไม่อยากรอรับทางไตรษเนียก็สามารถไปรับที่วัดได้ค่ะจะจัดส่งไปในวันเสาร์นี้เจ้าค่ะ ที่กุตินะครับที่ที่กุิกับที่ศาลาแล้วใช<า><ะ>่ค่ะทั้งสองที่เจ้ า, าค่ะโอเคนะถ้าใครสนใจภาพปะสุภาษหนังสือเกี่ยวกับการพิจารณาสุภาษก็ถ้ามีโอกาสมาที่วัดก็ก็มารับได้ถ้าถ้ามาทันนะเพราะมันมันมีไม่มากเดี๋ยวอาจจะหมดเร็วก็ได้ อาจารย์คะมีคำถามเพิ่งเข้ามาอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะอืจากคุณมันลิกาเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าการเดินเจริญสติแล้วคิดฟุ้งซ่านใช้ภาวนาพุทโธพุทโธแล้วเดินให้เร็วๆขึ้นการปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าค่ะถ้ามันหยุดความฟุ้งซ่านได้ก็ถูกต้องถ้าทําใจให้สงบงได้ก็ถูกต้อง ดูที่ผลก็แล้วกันดูที่ผลว่ามันทำให้ใจเราหายฟุ้งซา่านได้หรือเปล่าห ม, หมดแล้วโอเคตันนี้ก็ก็หมดแล้วนี้ยังก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจรงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้นนาในธรรมยิ่งขึ้นไปเถ อ, อ